พรอาจารย์ครับกล่าวธมสักการครับผมอาจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านครพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่เจ็ดสิบแปดครับพระอาจารย์จะขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความเรื่องภูมิหานศรีครับเพราะว่าพระอาจารย์พูดทีไรก็ไปที่อุเบกขาทุกครั้งใช่ไหมครับพระอาจารย์วันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์อขยายความตั้งแต่เมตตาเลยนะครับพระอาจารย์ครับกล่าวขอความเมตตาครับ คือคำว่าพรหมวิหารสี่ก็คือที่อยู่อาศัยของพระพรหมคือพระพรหมนี้จะอาศัยอยู่กับคุณธรรมสี่ประการด้วยกันจะมีคุณธรรมสี่ประการผู้ใดมีคุณธรรมสี่ประการก็ถือว่าเป็นพรหมได้ก็คือข้อที่หนึ่งเมตตาความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง กรุณาความสงสารในความทุกข์ยากลาบากของผู้อื่นสามุนิตาความยินชื่นชมยินดีในความสำเร็จในความเจินของผู้อื่นอสีอุเบขาการวางใจให้เฉยในกรณีที่ไม่สามารถที่จะใช้เมตตากรุณาหรือมุนิตาให้กับผู้อื่นได้ เพราะว่าถ้าอยากจะให้เมตตาแล้วทาไม่ได้ก็อาจจะเสียใจอยากจะช่วยเหลือแล้วช่วยไม่ได้ก็จะเสียใจไม่ควรจะเสียใจในสิ่งที่เราทาอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีอุบเบกขาแต่การเจริญที่แท้จริงนี้ต้องเจริญที่อุบเบกขาเป็นเป็นต้นต้นเหต ถ้ามีเบขาใจจะมีความอิ่มมีความสุขก็มีความสุ ข, าสขการให้ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมันก็เป็นของง่ายเพราะว่าเราไม่มีความปรารถนามีความต้องการอะไรจากผู้อื่นในเมื่อเราเร า, เรามีความสุขในตัวเราแล้วความเมตตาของเราก็จะเป็นความเมตตาที่บริสุทธิ์ไม่ต้องเสียแ้งบังคับมัน ถ้าเายังมีความอยากอยู่ความต้องการอยู่บางทีความเมตตาของเราอาจจะเป็นเป็นฉากบางหน้าก็ได้เราเมตตาคนนี้เพราะเราต้องการอะไรจากเขาเรีนชอบคนนี้รักคนนี้ก็สแสดงความเมตตาขเขาด้วยวิธีการต่างๆให้เขาชื่นชมยินดีในตัวเราเพื่อที่เราจะได้เอาชนะเขาเอาเขามาเป็นสมบัติของเรา อันนี้ถ้าเกิดเขาถ้าเมตตาแล้วเขาไม่ตอบสนองความเมตตาก็าอาจจะเกิดความเสียใจอาจจะเกิดความเกรดขึ้นมาได้อันนี้ถ้าถ้าใช้ความเมตตาแบบไม่มีอุเบกข า, าใช้เมตตาเพราะเราไม่อุเบกขาเราไม่ต้องการอะไรจากใครแต่เราต้องการให้เขาไม่ความสุขในเมื่อเรายังต้องอยู่ร่วมกันพบปะ ก, กันเจอกัน คนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดีกว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความทุกข์ก็จะมีความปรารถนาดีทําอะไรให้กับเขาแต่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรจากเขาเพราะว่ามันในใจเรามันพอแล้วมันอิ่มแล้วมันมันมีการสงบมีความสบายของมันอยู่ในตัวไม่จําเป็นจะต้องการไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรมาทําให้ตอนเองมีความสุขงันการ การให้ความเมตตาในจากใจที่มีความสุขความพอเนี่ยมันก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติให้ให้ให้ความสุขกับผู้อื่นได้ให้ความปรารถนาดีได้ให้อภัยได้ความเมตตามีอยู่สีลักษณะนึให้อภยัยถ้าเราอิ่พอแล้วเราไม่ต้องการอะไรจากเขาแล้วเขาทำอะไรเสียหายเรื่องนั้นเราก็เราก็ไม่ไปเรียก เรีกเยกร้อ ง, องเลีค่าเสียหายร้องร้องกันให้อภัยเข้าไปไม่ถือด้อยก่อยเคียงถ้าเขานี่คือความเมตตาข้อที่หนึ่งไม่จองเวรให้อภัยข้อที่สองไม่เบียดเบียนอถ้าเราพอแล้วเราจะทาําอะไแล้วก็ต้องระวังว่าเราไปทำความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู่อื่นหรือเ่าเบียดเบียนผู่นหรือเ่า การเบียดยนกไม่ทำไม่ได้เพราเราไม่มีความจะไปจะต้องทําอะไรเอาที่สามของการเมตตาคือไม่ทำร้ายรางกายและจิตใจเมื่อเรามีความอิ่มีความสุข ม, มีความพอแล้วเราจะไปทําร้ายใครทําไมไม่เกิดประโยชน์อะไรที่เราทําร้ายกันมักเพราะว่าเราโกรธเกิดความโกรธขึ้นมาเกาดความเสียใจเกิดความผิดหวังขึ้นมาไม่ได้ดังใจอยากแต่เมื่อใจไม่มีความอยาก ใจไม่มีความรักชังใจก็จะไม่มีความาการกระทำก็จะไม่ไปท้างความเสียหายเดือดร้อนกับผู้แล้วก็ข้อที่สี่ให้ความสุขกับผู้คล้อยก็เนี่ยก็เรามีความสุขแล้วเราก็อยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราทำสิ่งไหนถ้าให้เขามีความสุขได้ก็ทําไปถ้ามีของเหลือเฟือก็เอาแบ่งปันกันแจกจ่ายกันไป นี่ก็คือฐานของความเมตตาก็คืออุเมกขาอุเมกขาคือใจที่อิม่มที่พอเช่นเดียวกับความสงสารมันก็มาโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีความสุขเองก็เลยทุกข์แล้วก็อดที่จะสงสารก็ไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตรัสนุ้แล้วก็มองเห็นสัตว์โลกอย่างพวกเราว่ายังตกอย่ในความทุกข์แห่งการเรียนไหวตายเกิดก็เกิดความสงสารอยากจะช่วยเลยอ ก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ช่วยตาช่วยกับบุคคลที่ยินดีย้าย้ช่วยบุคคลใดที่ไม่ยินดีช่วยไม่ช่วยก็ไม่ไม่ไปกังวลไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วข้อที่สามก็จะไม่ฉิบหายสยักใคเวลาใครได้ดีได้ดีก็เป็นเรื่องของเขาไปเราพอแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มนะเราไม่รู้สึกได้เวลาที่เขาได้ดีได้ดี เราก็แสดงความยินดีให้กับเขาได้นะคือมุนิตาถ้าเราไม่สามารถที่จะให้การกรุณามุิตาหรือเบตคามุนิตากรุณาหรือกรุณาหรือเมตคากับบุคคลต่ตางๆนะั้เราก็วางเฉยไปก็อยู่เฉยๆไปมิรูเบตคานั้นการที่จะมีเมตตากรุณา บุทธิตาที่แท้จริงนี้ต้องเอามาจากใจที่มีอุเบกขาเบราะใจที่เป็นใจที่อุเบกขาในเป็นใจที่พอแล้วถ้าเหมือ น, นน้ำเต็มแก้วแล้วก็ไม่มีความต้องการจะเอาน้ำมาเติมอีกต่อไปทำอะไรก็ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างพรกรุณาของพระพุทธเจ้าออกมาจากความบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้า ส่งโปสัส่นโลกโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจะสันโลกแม้แต่บาทเดียวส่งแสดงธรรมมาแล้วสามสี่รอบโดยที่ไม่มีการเรียลลัยขอรับเงินบริจากการเทศนไม่มี ท, ที่เท่นกันแล้วมีการเทศนนี่มันไม่ได้ออกมาจากใจที่มีอุเบกขาไม่มีจากใจที่ยังหิวอยู่ยังมีตัญหาความนีาย รพระอาจารย์ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราจะเข้าไปถึงพิมวิหารก็คือเราไปเข้าที่อุเบกขาเลยใช่ไหมครับใ่แล้วเราต้องจเจริญ ส, สติสามารถนำสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าบป็นฌานพอฌานแล้วใจก็เป็นอุเบกขาฌานสี่เนี่ยเปนดูคุณธรรมมาถึงฌานสี่แล้วรูปฌ า, านสี่ก็มีอุเบกขาสัคตะวะรูร้มีความสุข เมื่อมีความสุขมีความอมิมีความพอไม่หิวไม่หัก็จะมีความปรารถนาดีกับผู้อื่นถ้าเรายังหิวเรายังหัวอยู่บางทีเราไม่ปรารถนาดีกับเขาถ้าเขามาขัดขวางในสิ่งที่เราต้องการกลายเป็นคู่แข่งขันกันทาการค้าขายแข่งกันนะเมตตาไม่มไออกเป็คู่แข่งขันนแถมดูถาม ถ, า ม, ถามรีแท็กดูกับกับเอไอเอสอูว่าเขา เขาเมตตาต่อกันใช่ไหมหรือเขาจะแข่งขันกันแย่งกันเอาเอาลูกค้ากันแต่ถ้าใจมีความอิ่มีอุบเบกขาแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วนะี่ไม่ต้องการลาบชุบสารเสริอสุดไม่ต้องการอะไรของที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็ได้ทําให้เรามีความเมตตาได้ง่ายเพราะคบคนเป็นมิตรกับคบคนเพื่อเป็นสัตว์โดยใชไ ครันอกจากว่าถ้านก็ไม่ยินดีที่จะคบเราเราก็ต้องถัำใจไป็นลูเบเกอรไปเช่นใจคุณหมอเราก็ยิ้มให้ทักทายคุณหมอแต่คุณหมอไม่ชอบที่หน้าเราก็ไม่ยิ้มตอบก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจไม่ยิ้มตอบไม่ว่าเลยวรืจะด่ากลับก็ไม่ว่าเลยเพราใจที่เป็นูเบเกอรจะไม่โกรธใครก็ไม่ไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการจะได้อะไรจากใคร แต่ถ้าเราแสดงความเมตตาแสดงความเป็นมิตรกับเขาเขาไม่ยอมรับมิตรด้วยยกมือไหว้เขาไม่ไหว้ตอบนี่ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกน้อยใจเสียใจหรือโกรธได้เพราะเรยังหวังผลตอบแทนอยู่ใช่ไหมหวังให้เขาตอบรับความเป็นมิตรความเป็นมิตรของเราแต่เขาไม่รับนี่ เ, เขาหยิ่งหรืออะไรก็ว่ามันก็จะเสียใจโกรธเขาได้ อาจารย์ครับอย่างนี้อุเบกขาก็คือนิพพานใช่ไหมครับอาจารย์นั่นแหละเจ็ดที่เป็นอุเบกขาอย่างเท้าวอรก็นิพพานเนี่ยอุเบกขาในขั้นระดับพรรมนี่ก็เป็นแบบขณะที่มีสติมีกําลังมากกว่ากิเลสใจก็เป็นอุเบกขาอยู่เพราะกิเลสอ่อนกําลังลงไอ้พอสติอ่อนกําลังลงกิเลสมีกําลังมากกว่าความโลภความอยากมันก็จะโผลขึ้นมาทําให้อุเบกขาไม่ออกนะ ยางไงถ้ายังอยู่ในขั้นสติขั้นสมาธิอยู่ก็เป็นอุเบกขาแบบชั่วข่าวพวกที่เป็นพรหมนี้พอสติเสื่อมลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับาเกิดเพราะว่าความอยากในการมาตัณหาเพราะตัณหาวิภวตัณห า, าไม่ได้ถูกกำจัดไปด้วยกำลังของสติเองแต่ถูกกดเอาไว้เั่นเองครับผม ผมกระจากกระจากเรื่องพวทธิหารมากขึ้นแล้วครับพระอาจารย์ครับจะน้อม น, นําาจารย์จจะเริญนพุทธิหารศีได้อย่างแท้จริงด้วยต้องไปที่อุเบกขาจะเรียนอุเบกขาก่อนแล้วเมตตาภาวนาเทตตามันจะตามมาเป็นเป็นเหมือนผลผลผลลัพธจากการที่เราไปอุเบกขาถ้ายังไม่มีเราก็ต้องบังคับใจฝืนใจบางทีไม่อยากจะเมตตาก็ต้องเมตตาไม่อยากจะทักเขาก็ต้องทักเขาเลย กรเฟื่อบางทีไม่อยากจะช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือเพราะมันมันทีเสียหน้าเสียตาไม่อาว่าการเป็นคนใจจืดใจดําเลยไปก็เลยต้องแสดงความช่วยเหลือให้กับเขาบางทีไม่ได้ออกมาจากใจจริงครับม <Okay. S 2> ุดิตาก็เหมือนกันบางทีไม่อยากจะแสะดงนี้ความยินดีกับเขาแต่ก็ต้องแสดงความยินดีไม่ใหเห็นว่าเราเป็นน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รูชนะ ยังไม่ได้เป็นของจริงของแท้โมที่ตาดากว่าเมตตากรุณานะครับอาจารย์ใช่ไหมครับก็น่าแต่น่าแตใช่เวลาเราแข่งกันกีฬาเราแพ้เราต้องแสดงความยินดีเนี่ยตอนนี้มีบอลโลกดูเนี่ยเพื่ดูสิว่าจะมีโมทิตาเปล่าทีไหนชนะก็แสดงความยินดีเขาเขาเก่งเขาถึงชนะแต่ส่วนใหญ่มักจะหาเรื่องว่าโอ้ย เล่นโกงกรรมการเข้าข้างไม่ยามรับผลของของการตัดสินของกรรมการมันก็ไม่นแค่เกมนะเป็นแค่การกีฬาแค่การแข่งขันไม่เอาอะไรเอาเป็นโดตายอะไรขันใช่ไหมนี่เขาเล่นการเห น, น, น, นกันแขนเพราว่าเลยต้องเอาเป็นเอตายเ<ๆ>พราะมีผลประโยชน์มาอยู่เกี่ยวข้องด้วยเลยมุดนิจตาไม่ออกถ้าทีมที่เราแทงไว้แพ้นิจตาไม่ออก <laughs> ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องติดกันเทศนะครับว่าบอดีว่าตอนก่อนเข้ารายการมีคนนึงถามว่าผมรู้จักพระอาจารย์ได้ยังไงผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าผมรู้จักพระอาจารย์เพราะผมไปอ่านหนังสือเรื่องมหาเศรษฐีที่แท้จริงนะครับพร ะ, าพระาอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นที่ผมอ่านหนังสือแล้วนี้ผมยังไม่เคยเจอใครรวยกว่าพระอาจารย์เลยค <laughs> <laughs> ถ้าเจอเศรษฐียังไงผมก็นึกถึงพระอาจารย์แล้วก็ผมไม่มีใครรวยกว่าพระอาจารย์เลยที่ เพื่อไปตามหาอีบุ๊กกันามาอา่านแลครับงั้นผมขอโอก า, าสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจากคุณแบงค์ครับก่อนเรียนถามหลวงพ่อสุชาติก่อเรียนถามวิธีพิจารณาอาสุภะอย่างเอารูปภาพกระดูกหรือศพมาดูใช้ได้ไหมครับเพราะบางทีนึกภาพไม่ออกครับนึกภาพไม่ออกเราก็ลองมาสายภาพก่อนภาพที่เขาถ่ายก็ได้หรือภาพที่เขาวาดก็ได้แล้วอาจจะได้เห็น ความเป็นจริงของร่างกายที่ถูกผิวหนังเนื้อนปกปิดเอาไว้ควจริงร่างกายของเราถ้ามองดีๆ ม, มันก็เหมือนกระเป๋าหนังเนี่ยเนื้อบอดที่สุดก็ได้เนี่ยร่างกายเรามีบอดที่สุดก็คือเนื้ อ, อกับหนังเนี่ยเป็นบอดที่สุดถ้าเรามีซิบข้างหลังเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้ามันแกะซิบออกได้ ถอนบริสุทธิออกมาเอาถอนเนื้อกันหนังออกมาแล้วก็จะเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆครบถ้วนเลยหมนี่วิธีพิจารณาสุภาพเราต้องแกะบริสุทธออกมาอจากบริสุทธิ้ชุดวยน้ำาชุดประดาน้ำเนียเวลานักประดาน้ำเขาก็ใส่ชุดที่มันรัดตัวใช่รัดตัวรัดหน้าคุมสีสันหมดเลย เนื้ปิดหน้าไว้หน่อยนะนี่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราสามารถนึกภาพว่าหนังกับเนื้อ น, นี่มันเป็นเหมือนชุดที่สวมที่ที่โครงกระดูกสวมใส่ไ้ที่ที่มีโครงกระดูกนี่เป็นตัวสวมใส่แล้วก็มีอวัยวะที่อยู่อยู่ในในในโครงกระดูกในกรอบของโครงกระดูกเนะี่ยนึกภาพนี้ก็ได้แล้วก็จะได้เห็นนะ พอเราถอดออกว่าถอดซศาออกมาก่อนก็จะเห็นโครงกระดูกหเห็ น, เ ห, นเห็นกระโหลกศรีรษะหน้าเราเนี้ยมันมีหนังกับเนื้อบางๆครอบเป็นอยู่เหมือนหน้ากากเหมือนหัวโขนเนี่ยหน้าเรานี้เป็นเหมือนหน้าจริงของเราไม่ได้เป็นอย่างนี้หน้าจริงของเราก็คือกระโหลกศรีรษะอันนี้ต้องพยายามนึกอยู่ยบ่อยๆให้มันใจก็นั่ง สามารถมองเห็นเห็นเห็นได้เวลาที่เราเห็นขายนึกถึงภาพเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้แล้วความหนงที่ว่าร่างกายนี้สวยงามหรือหล่อกเรามันก็จะได้เห็นภาพที่แท้จริงมามันเพียงแต่เป็นภาพหลอกภาพที่หุ้มผอด้วยหนังด้วยเนื้อเท่านั้นเองพอเราแกะเนื้อเอากะหนังออกได้เราก็จะเห็นส่วนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าดูไม่ไม่สวยไม่งาม อันนี้ก็พิจารณาแบบนั่งกาที่ยังยังยังไม่ตายเคลื่อนไหวได้เวลาเห็นใครเนี่ยพยายามมองทะลุเข้าไปเหมือนใช้แสงเอ็กซเรย์เข้าไปซีทีสแกนเห็นพวกเลยพอเห็นคนเดินมาก็เห็นโครงกระดูกเ็เดินมาทำด้วยอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในตั้งแต่ ตั้งแต่หน้า อ, อกลงมาตั้งแต่ปอดหัวใจลำไส้ต่างๆไตหับไตอะไรแคนี้เราก็จะเห็นภาพที่แท้จริงของร่างกายแล้วเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นขาวน่านดูน่าชมเลยแต่เรามองไม่เห็นเราก็ไป้องลับใ้อบอดี้สูทใน ให้ตัวที่มันหุ้มห่ อ, อร่างกายนี้นี่คือการพิจารณาไม่ต้นเข้าไปเปิดดูเนียเปิดดูในกูก็เนี่ดูคำว่ า, าอาฑรมีก็ได้เร่องกายภาษาไทยก็เรียกากาวิภาคเลยก<ะ>จะได้เห็นภาพต่างๆที่นักศึกษาแพทย์ต้องศึกษาเนเขาก็บแบ่งเป็น ระบบประสานระบบไหลเวียนของเลือดของระบบดางเดินอาหารร่างกายมันมีหลาระบบเยอะอย่างง่ายใ น, ในตัวของมันเองเขาก็จะแสดงในแต่ละระบบให้เราดูแต่ไม่ต้องละเอยียดถึงขนาดนั้นเพียงแต่ให้เห็นภาพที่มันเห็นแล้วรู้ว่ามันไม่สวยไม่งาม่าใช่ได้เรื่อนีถึงความสกปรกที่ที่มีอยู่ในร่างกายก็ได้ เลือดมัน ก, กระสอบเปะ๊ะใช่เวลาเห็นเลือดออกนี่เวลาใครโดนโดนโดนแทงด้วยมีดอะไรแล้วเลือดไหลออกมานี่ดูแล้วมันก็ไม่สวยงามเนื้อของเหลว ต, ต่างๆที่เราถ่ายออกมาจากทวันต่างๆมันก็สกปรกทั้งนั้นอันนี้ก็พิจารณาได้แล้วแต่วิธีไหนก็ได้ทำให้เราคลายความกําหนัดยินดีคลาย การารักะในร่างกายให้ได้ครับแต่ม่ต้องทบ่อยๆทำจนกระทั่งมันเป็นเป็นนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของของการดูภาพร่างกายเวลาเห็นร่างกายนี่เราบางจะมองไม่เห็นอาการต่างๆเนี้ยมัจะเห็นได้เห็นตาเห็นผท้าเห็นผมแค่นี้แล้วก็ไปหลงไปไลยกับภาพที่เราเห็นกัน เลิไม่เห็นส่วนส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมเราต้องพยายามฝึกดูส่วนที่ไม่ไม่น่าดูด้วยเวลาเราเห็นร่างกายเราจะได้นึกถึงส่วนภายในด้วยเวลาเราเห็นภายนอกเราก็ต้องนึกถึงส่วนภายในด้วยมันจะได้มีความสมดุลออนนี้เราเห็นเพียงข้าเดียวเห็นข้างที่สวยงามมันก็เลยทำให้เราหลงนัน่งร่างกายกัน ท่านของเขาแล้วท่านของเราบางทีเราก็รักร่างกายเราดูร่างกายแล้วเอ้ยน้าร่างกายเราห น, น, น้าตาดีนะ<ฮ>คาถามนี้เมือนอ่านไม่จบนะครับคุณไกเลอกครับอขอโอกาสเรียนถามหนุงพ่อเรื่องการภาวนาโยมภาวนาแบบอานาปานาสติกําหนดจิตจดจอ่อกับคําบริกรรมพุทเข้าโทรออกเมืม่อลมหายใจช้าลงลม ล, ละเอียดขึ้นก็ประคองไปเรื่อยๆ ตั้งใจว่าจนกว่าลมหายใจเหลือแต่ลมหายเหลือแต่ใจลมหายใจลมแล้วก็หายแล้วก็ใจแต่ด้วยความเป็นวิสัญญีแพทย์รู้มากวิจิกิจฉาจึงมากไปด้วยความรู้ทางแพทย์ว่าถ้าร่างกายปกติย่อมไม่หมดลมหายใจแน่ respiratory center ย่อมทางานแล้วลมจะหมดจะทิ้งลมเหลือแต่ใจเป็นไปได้อย่างไรจิตมันค้านเออ ไ, ไม่ต้องไปรู้เลยหรอก คือลมมันไม่มันไม่มันไม่หยุดทำงานเพียงแต่ว่ามันอาจจะแผ่วเบาไปแล้วห่างออกไปเมื่อเราร่านกายอยู่เฉยๆมันไม่ทํางานมันก็เหมือนเครื่องเครื่องยนต์ของรถยนต์มันก็ลอ้ลอล้อการทํางานของเครื่องยนต์ก็จะช้าลงช้าลงการทํางานของหัวใจการหายใจมันก็จะช้าลงช้าลงเพราะเมื่องันกายไม่ต้องการไม่ไม่ได้ใช้งานพลังงานก็ไม่ต้องต้องมีมาก การต้องการลงมันก็น้อยลงไปลงมันก็เลยแผล่ลงแผว ล, ลงจนกระทั่งเราจับมันไม่ได้ท่านนี้แต่มันไม่ได้หายหรอกมันยังหายใจอยู่หลวงตาท่า น, นเคยเล่าให้ฟังว่าคนมาถามเรื่องนี้อยู่เรื่อยว่าเวลาดูลมไปแล้วรู้สึกลมมันจะหายแล้วก็เกิดความตกใจกลัวขึ้นมาให้ยเราไม่หายใจแล้วเดี๋ยวเราตายหรือเปล่าไปคิดอย่างนั้นคุณงตาบอกไม่ต้องไปกังวลหรอมันไม่ตายหรอก ตาใที่มีสติให้เรารู้เฉยๆไปรู้ตามความเป็นจริงจับลมไม่ได้ก็ไม่ต้องจบมันจับดูดูความว่างไปดูความมากไปท่านนั่นเอง้วเดี๋ยวใจมันก็จะปล่อยลงปล่อยร่างกายคือมันไม่ได้ปล่อยแบบชิงงมันเพียงแต่ว่ามันถอนความรับรู้ทางทางวิญญาณตาหูจมูกนิ้วกายให้มันกลับเข้ามาข้างในให้มันตั้งอยู่ภายใน ไ, นไม่ไม่ส่งไปรับรู้ แต่มันยังไม่ได้ตัดขาดออกจากกันอันนั้นจิตสงบปั๊บความรับรู้เรื่องทางร่างกายหาไปหมดเลยมันลอยอยู่ในจักรลอยอยู่ในอวกาศไม่มีอะไรให้รับรู้นอกจากความว่างปลาอันนี้คาดไม่ได้นะถ้าคามันก็ไม่เป็นให้ดูลงไปอย่างเดียวทงที่ดีอาจจะเอาลมอย่างเดียวไม่ต้องพุดเข้าโทรออกได้ก็ดี เอาดูลมเฉยเฉเลยไม่ต้องไปทําพูดเข้าทัวออกให้ดูลมลมเข้าก็รู้ที่ปลายจมดกล ม, มออกก็รู้ที่ปลายจมูกดูลมเฉยเฉยไม่ต้องคิดผงแตกไม่ต้องพูดไม่ต้องทัวแล้วมันลมหายก็รู้ลมหายก็ดูอยู่ที่จุดเดิมนั่นแหละดูดูความไม่มีตมแปเพราะช่วงนั้นเรนเริ่มจะเข้าใกล้สูขข่การรวมของของใจแนะล้วเวลามมันก็เริ่มรู้สึกว่ามัน มันตกจากที่สูงมาวุบลงมานิ่งสงบเย็นสบา ย, ยงั้นดูไปเรื่อยๆดูดูอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปคิดปรุงแต่ไม่ต้องขวาคว้าหาลมถ้าลมจับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหามันอยู่ที่จุดเดิมอยู่ที่จุดเดิมมราดูตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นไปทั้งวัน คุณละไมครับการนั่งสมาธิจิตแยกกายทําอย่างไรทุกครั้งให้จิตนิ่งครับอาจารย์ก็ใช้สติไงใช้สติจดจ่อดูลมหายใจหยุดความคิดพอจิตหยุดความคิดสัญญาสังขารวิญญาณมันก็พักทํางานชั่วคราวมันก็เหมือนก็แยกออกจากกายเชื่อคราวอันนี้เรามานั่งบูงแต่งไม่ได้มันนั่งคิดไม่ได้มันต้องหยุดคิด มันถึงจะยากออกจากกันถ้านั่งคิดว่าใจเป็นอย่างกายเป็นอย่างนี่นั่งคิดเป็นจังหวตางมันก็ไม่มีวันที่จะแ ย, ายากออกจากกันให้ใหให้ให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆไม่ให้คิดให้ดูลมหายใจเข้าออกไปคุณคุกกิ๊กครับถ้าเมตากับเขาแล้วเราทุกข์ควรทําอย่างไรคะก็เพราะว่าเราต้องการอะไรจากเขาเลยเราถึงทุกข์ ว่เาเราไม่ตาเขาแล้วเขไม่ตอบสนองคามไม่ตาของเราเพราะไม่ยินดีเป็นมิตรกับเราเราก็ทาําใจเป็นอุเบกขาในที่บอกต้องเป็อุเบกขาแค <Okay. S 1> ่เฉยๆไปนั่นเองแต่ถ้าทําใจเป็นอุเบกขาไม่ได้ก็ทุกถ้าทุกอยากไดไหายทุกก็ต้องใช้สติทําใจให้เป็นอุเบกขาในการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปให้ลืมเรื่องที่ ที่เราไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวพอเราหยุดคิดถึงเขาเราก็จะหายความทุกข์เราก็จะหายไปชั่วคราวถ้าออกมาจากสมาธิออกจากอุเวกขามาแล้วไปคิดถึงเขาอีกทุกข์อีกก็จะใช้หลักสติก็ได้หรือจะใช้หลักปัญญาก็คือว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้ะให้เขาไม่ตายของเราตอบสนองความไม่ตายของเราไม่ได้ เขาจะรับความเมตตาของเราก็ได้เขาไม่รับความเมตตาของเราก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาเราก็จะไม่ถึกคุณปูเป้ครับบุคคลที่จะไปเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิสติตลอดทั้งวันใช่ไหมครับถ้าไม่มีสติสมาธิตั้งมั่นอยู่จิตมัมนจะหิวกิเลสอันจันทร์นึ่ไปคิดทั้งหมดแทน แทนที่จะคิดเรื่องสุภาอสุภามันจะไปคิดเรื่องอสุภาแทนแทนที่จะให้ไปคิดเรื่องเอรื่องอนิจจ์มันก็จะไปคิดเรื่องอ น, นิจจ์แทนมันมันพราะมันเคยคิดแบบนั้นมาก่อนแต่ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้ให้มันนิ่งเป็นอุเบกขาได้เราก็สามารถสั่งให้มันคิดไปในทางตายรักได้คุณพีชครับ กลาเป็นถามท่านอาจารย์ใช้ทรายอาเบดกำจัดลูกน้ำถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งไหมคะถ้ามันตายก็ผิดนะททรายมันตายแลผิดสู้ตักมันออกใส่ใส่ใส่กระป๋องกระแป้งแล้วก็ปล่อยในน้ำอย่างที่ที่วัดป่ามันตากเนี่ยบาทีน้ำที่ท่านใช้น้งทาง น, นี่ท่านจะ ใส่ถุงมาแต่ท่านจะเททิ้งทุกวันเพราะว่าบางทีถ้าเถอะเปิดป่านึงมีช่องให้มันเข้าไปได้อาจจะมีตัวตัวลูกอยู่ในไข่อยู่แต่ถ้าเกิดมีเห็นว่ามีตัวลูกน้ําอยู่ท่านก็จะท่านก็เอาไปเทในในในใ น, ในที่บ่อน้ำนั่นแในที่ไหนที่มีที่ที่มีแอ่งน้ำไม่ให้มันตายยังทางวัดป่านี้ ถ้ามีมีตุกน้ามีอะไรมีนจะมีฝาปิดมิจฉิดไม่ให้เปิดฝาที้ไว้เพระถ้าเปิดฝาแล้วเดี๋ยวยุงมันก็ไปไขแล้วยุ่งมาเนีเออ่ยเราเทเอาน้ำเนี่ยไปเทในับห้วยรับทานเื้อที่ไหนคุณปิยรัตน์ครับการพิธีกา ร, การพระอาจารย์ค่ะเผลอหลับในสมาธิกับจิตเริ่มนิ่งแล้วตกไปในพวังต่างกันยังไงหรือคะ ก็คุณก็ทำดูคุณก็จะมาถามเราทาไมมันตันนไม่รู้ยาอธิบายไข้อนี้ก็คือตัดมันแล้วไม่มีสติหรือไม่มีสติก็แล้วกันถ้าไม่มีสติก็หลับถ้ามีสติก็เป็นสมาธิถ้ามันนิ่งคุณสมพรครับอ่า กาปุชาพระอาจารย์พมวิหารสี่สามารถใช้ได้กับทุกกิจกรรมในการดำเนินชีวิตในแต่ละกิจกรรมในแต่ละวันเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็แล้วแต่เหตุการณ์ไงแล้วแต่ว่าเราไปพบปากเขาใครถ้าพบปากับขาทานก็ควรจะสงสารเขาเพราะกระเป๋าเอาเงินใส่ให้เขาแค่ห้าบาทสิบบาทเพื่อจะได้มีข้าวมีงานไปซื้อข้าวกินถ้ามีเพื่อนฝูงเขาได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งก็ไปแสดงความยินดีกับเขา ถ้พบปากับคนทั่วไปหรือ ก, กับใครก็ยิ้มให้กับเขายกมือไหว้ทักทายถามว่าเป็นยังไงสุขสบายไหมอะไรอันนี้ก็เมตตาหรือถ้าจให้มันดีกว่านั้นก็มีของเหลือใช้เหลือเกินเอามาฝากเพื่อนเห็นใครก็เจอใครก็เอามาแากไม่ต้องให้เขาเดือดร้อนอันนี้มาถึงตั้งเมตตาไม่ต้องไม่ต้องร้อยเขาเดือดร้อนเขาอาจจะไม่เดือดร้อนแต่เราต้องการผูกนิดน้องอาจจะทําของชําร่วยแจก ให้คนนั้นคนนี้ในวันเกิดยอร์อย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นการให้ความเมตตาถ้าเกิดมีปัญหาเขาทำอะไรให้เราไม่ไม่พอใจโกรธเราก็ให้อาภัยเขาเราจะได้ไม่โกรธรับแล้วแต่กรณีไม่ใช่เราจะใช้ใช้ทั้งสี่อย่างพร้อมกันไม่ใช่เหมือนขับรถนะ คำว่าเราไม่ใช้เราไม่ใช้ใส่สี่เกียร์พร้อมกันไงเราต้องใส่ทีละเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ยอนหน้าเกียร์ท้ายหนักแล้วแต่สถานสถานการของของถนนที่เราขับอยู่แล้วต้องขับช้าขับเร็วขับช้าก็เราใช้เกียร์ต่ำขับเร็วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สูงนี่ต้น คุณพ ร, รัดครับการนรัศการพระอาจารย์ครับ<ส>ผมอยากถามว่าผู้ให้ความรักความเมตตาแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่ยื่นข้อต่อรองกับผู้อื่นทําให้ชีวิตมีความสุขได้อย่างไรครับก็ลองทําดูเลยการให้นี่ทาให้เขารักเราจะน่าใจาเขาด้วยการให้ในงานเราให้การแล้เขาจะรักเราเขาจะชอบเราดีไมด่ดีเขาจะมาปกป้องคุ้มครองเราเสียด้วยซ้ำไปก็ การให้นี่มันเป็นการทำให้เรามีความสุขให้ความเมตตาไม่ใช่ให้เพียงแต่ความยุบความคิดหรือสวดบทแผ่เมตตาต้องให้จริงๆให้ด้วยการให้ทานนี่ก็เป็นการให้ความเมตตาอย่างเช่นเขาวันเกิดหรือไปซื้อของขวัญมปให้เขาเอาของขวัญแพงๆเลยให้เขาได้เราก็มีความรู้สึกมีความสุข แล้วเขาได้รับเขาก็มีความสุขเวลาเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขยากการที่เราให้ของดีๆกับเขาต้องลองทํำดูอันนี้ถ้าไม่ทํำก็จะไม่เลยคุณก็คงจะทําอยู่ว่าคนมีคนที่คนรับใช่นะบางทีคนรักของคนวันเกิดไม่วันอะไรคุก็ทําอะไรให้เขาทุกอย่างให้เขามีความสุขอันแรกเลยก็คือความเมตตาน คุณคู่บัวครับลูกอยากขอโอกาสถามว่าถ้าหากถือศีลแปดอยู่สามารถสวมใส่สร้อยพระได้ไหมเจ้าคะก็ถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงนะเราจะไม่ถึงเรื่องเครื่องรางของขลัแเราถือเราถือว่าสิ่งที่จะกุ้มข้าเราว่าคือสติปัญญาแล้วก็ดุญที่เรากระทำกัน จะไม่นิยมผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะไม่นิยมห้อยพระกันแต่ถ้าถ้าจะห้อยถ้าก็ถ้าเป็นทองก็ส้อยทองก็เอาเปลี่ยนเอามาใส่เป็นอเอาเป็นสายสายสายอะไรอย่างหนึ่งก็ได้สายสายไนลอนหรือสายอะไรไปเพื่อจะได้ไม่ถือว่าเป็นเครื่องประดับสายเป็นเพื่อให้กำลังใจเพื่อให้เตือนสติอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้แตะ อยากใช้ในเชิงประดับให้เกิดความสวยงานคุณปิยรัตน์ครับถ้ามีคนพูดให้เราโกรธต้องใช้ปัญญาตัวไหนสลายความโกรธคะใช้พร ม, มิหารสีได้ไหมครับอาจารย์ใช้ใช้ใช้ปัญญาก็คือความอยากเราปัญญาก็พูดพูดให้ถูกใจเราพอเขาไม่พูดถูกใจเราเราก็โก่อยเขา เรนเราก็อสอนใจว่าอยากไปหวังอะไรจากคําพูดของเขาเขาจะพูดที่ถูกใจก็ได้อาจจะพูดในสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็ได้เราก็ต้องเตรียมใจรับกับทั้งทั้งรูปทุกรูปแบบของคําพูดของเขาไว้กับเรารับกับสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศจะหนาวก็ได้จะร้อนก็ได้ฝนจะตกก็ได้น้ำจะเท่ยมก็ได้เพราเราไปห้ามดินฟ้าอากาศไมได้ คืออนัตตาเห็นว่าทุกเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเห็นการกระทาการพูดของเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุ ม, มคบังคับไปสั่งให้เขาพูดให้เขาทำในในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำได้เสมอไปคุณธีระครับพิจารณาว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาได้อย่างไรครับและผลที่ได้คือสิ่งใดครับคืออนัตตาก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ปรากฏการทางธรรมชาตินี้เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นคนกำหนดว่าให้ฝนตกให้แดดออกมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่เขาส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆนี้ร่างกายของคนก็เหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติการเคลื่อนไหวของเขาทาง จ, จิตใจเขาคิดเรื่องอะไรแล้วก็พูดออกมาทําออกมามันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนกันแต่เราไป ม, มองว่าเขาเป็นตัวเป็นตน เขาสามารถควบคุมบังคับได้แต่ความจริบาง ท, งทีเขาก็บังคับตัวเขาไม่ได้เขาบังคับอารมณ์เขาไม่ได้เวลาเขาโกรธก็กพูดในเรื่องที่เขาไม่อยากจะพูดแล้วเขาก็มาเสียใจในภายหลังกันเห็นไหมคาร์าบาวนี่ต้องไปขอเข้ามาพววูดอะไรนะเออแวลาโกรธขึ้นมาลูกแกลโทรศัพก็มันห้ามใจไม่ได้อันนั้นหลังมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวแอร์เป็นคนพูดหรมันเป็นตัวตัวความโกรธเป็นตัวพูด ความไม่พอใจมันก็เลยผลักดันให้ให้เกิดการการพูดที่ไม่ดีเสียหายออกมาอันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างไม่มีตัวตนนั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่เราไปยางเอาคนออกมาจากธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่สามารถาควบคุมขับได้ข้าควบคุมได้ในระดับหนึ่งเราควบคุมอารมณ์ของเราได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่พอแต่เวลามันเกิดอารมณ์แรงๆขึ้นมา น, นี่มันก็ห้ามไม่อยู่ฉุนเฉียวได้ โกได้เสียใจได้เศร้าโศกได้เวลาที่มันเจอเหตุการณ์ที่มันเนื้อเนื้อก่ผ่ามสามารถที่เราจะควบคุมได้มันก็เป็นเหมือนกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกเราก็ควบคุมไม่ได้ น, นี่คือความหมายของอนัตตาทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาแต่เราไป ม, มองว่าเราไปแยกมันออกมาจากธรรมชาติไปแยกว่ามันมีตัวตน สัตว์มีตัวตนมนุษย์มีตัวตนตอนไม้ไม่มีตัวตนเราไปยากมันอกแต่วามจริมันเหมือนกันทั้งหมดมันเป็นปรากดการณ์ธรรมชาติไม่มีตัวตนทั้งหมดคุณออนครับขอเรียนถามตอนนั่งสมาธิเรามีสติรู้ทันอารมณ์ว่าฟุง้งเจ็บปวดและว่างเป็นช่วงๆไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอออกจากสมาธิแล้วอยู่ๆมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจคนลุกเหมือนกับการได้ทําบุญใส่บาตร ไม่แน่ใจว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติถูกต้องไหมคะหรือเราควรมีความสุขใจตอนอยู่ในสมาธิมันสุขได้ทุกเวลาถ้ามันสุขก็ถือว่าดีแล้วนะอย่าไปกังวลเลยถ้ามันทุกข์ถ้ามันนัดถึงถึงคนจะกังวลเราปฏิบัติเพื่อให้เราสุขใจไม่ให้ทุกข์ใจนะถ้าสุขใจมันจะสุขในสมาธิหรือออกจากสมาธิแล้วก็มาสุขเรื่องของมันไม่เป็นปนัญหาเลยขอให้มันสุขก็แล้วกันอย่าให้มันทุกข์ ปฏิบัติตามเป้าหมายก็คือดับความทุกข์สร้างความสุขบำบัดทุกข์บำรงสุข์เกิดผลที่เราต้องการจากการปฏิบัติคุณบุญครับการเป็นถามอาจารย์ดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิพ อ, อนิ่งทำไมมักจะเห็นหน้าคนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นคนไม่รู้จักทั้งนั้นเลยค่ะทำให้สะดุ้งและถอนออกจากสมาธิ เป็นอุปสรรคในการนั่งสมาธิมากๆและถ้าไม่ถอดออกมาแต่นั่งเฉยๆกลัวจะเห็นอะไรน่ากลัวและกลายเป็นบ้าชอบมีคนพูดว่านั่งสมาธิระวังเป็นบ้าค่ะทําอย่างไรเวลาเห็นคนหน้าคนนั้นคนนี้จะเลิกกลัวได้คะกอเวลากลัวก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธธรรมผสมในส่วนอิทิพิโสไปก็ได้หนึ่งบริกรรมพุทโทธธรรมโมสังโฆไปก็ได้อย่าไปสนใจกับภาพที่ปรากฏขึ้นมา ถ้าจะใช้ปัญญาไปก็พิจารณาว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติภายในใจเราใจเราก็เป็นเหมือนจอภาพอย่างหนึ่งซึ่งมันอาจจะสามารถมีภาพอะไรแปลกๆต่างๆปรากฏขึ้นมาได้ก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรับไปพิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวมันตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอนั้นตาเราไปควบคุมบัเข้าไปห้ามมันไม่ได้มันจะปรากฏก็ปรากฏมาให้เรารู้เฉยๆเราเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อน ถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่ามันการดูภาพภาพยนตร์ดูภาพยนตร์ผีท่านหนึ่งผีผโกลขึ้นมาแล้วต้องดูไปพอเราได้สติปั๊บมันก็จะหยุดไปเองเพราะส่วนใหญ่มันเกิดจากการเพลิสติของเราพอเราเพลิสติจิตมันก็ผลิตภาพแบบนี้ขึ้นมาหลอกเราแค่นี้ข้อที่สองเวลานั่งสมาธิพอเริ่มรู้สึกสบายตัวจะโยกเบาๆคะ่ะควรฝืนไม่โยกหรือปล่อยโยกไปดีคะ ก็พราะเราไม่มีสติถ้าเราไม่มีสติมันควบคุมมันก็ทํามันก็จะทําให้ตัวโยกได้ยังต้องมีสติเช่นคำบริการพูดโธพุทโธไม่ต้องมีการดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งบบแบบไม่มีสติควบคุมใจมันก็จะปล่อยให้ใจเป็นโยกนั่งกายได้ข้อที่สามครับ ควรนั่งสมาธิเองเงียบๆ เ, เองหรือควรนั่งสมาธิโดยฟังธรรมะบนเขาในยูทูบไปพางๆคะและนั่งสมาธิฟังเพลงคือการนั่งสมาธินี่มันมีหลายระดับเนีถ้าเรานั่งสมาธิแบบดูลมได้เ้าก็นั่งดูลมแต่ไม่ต้องฟังธรรมไม่ต้องฟังเพลงแต่ถ้าเรายังนั่งสมาธิดูลมไม่ได้เราอาจจะใช้การฟังธรรมไปก่อนเพราะการฟังธรรมนี่มันง่ายกว่าการนั่งดูลม ว่าฟังทับเสียงทํามันจะเป็นอารมณ์กล่อมใจเราให้สงบได้เราไม่ต้องไปเพ่งดูลงไม่เหนื่อยอันนี้ก็บางคนก็ยังนั่งสมาธิแบบดูลมไม่ได้ก็อาศัยการฟังทําไปก่อนก็ได้ส่วนการฟังเพลงนี่ไม่ไม่ไม่แนะนําเพราะว่ามันเป็นเรื่องโครงการมาชันถ้าฟังแล้วมันอาจจะเกิดการอารมณนเกิดความสุขความยินดีในในเสียงเพลงมันก็จะทําให้จิตไม่สงบ คุจัญยาครับลูกพูดจากับเราไม่ดีชอบดุเราจะทํายังไงดีคะเพื่อจะไม่โกรธตอบค่ะก็อย่างที่พูดนี่ยก็ต้องดูว่าเขาก็เป็นอนัตตาทุกคนเราไปควบคุมการพูดของเขาไม่ได้เขาบางทีเขาไม่พอใจเราเขอาจจะพูดไม่ดีกระแดกระดันเราถ้าเราไม่ไปหวังให้เขาต้องพูดดีกับเราเราก็จะไม่โกรธเราต้องรูงทัดเขา หรือว่าเขาอาจจะพูดไม่ดีได้แล้วเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เพราะเขาควบคุมบังคับตัวเขาเองไม่ได้เป็นอนัตาเป็นฝนเหมือนฝนตกแดดออกฝนมันจะตกเราก็ไม่โกรธแดดจะออกเราก็ไม่โกรธคนจะพูดดีเรื่อพูดไม่ดีเราก็ไม่โกรธถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นอนัตตาคุณปุบเป้ครับ บุคคลที่จะเป็นพรหมหรือพรหมวิหารได้ต้องได้ฌานสี่ก่อนใช่ไหมครับใช่เข้าถึงรูปประชาสี่ได้ก็จะถือว่าได้เข้าสู่ระดับพรหมพรห ม, มโลกนะตายไปก็ไปเกิดอยู่ชั้นในในรูปรรรรประพบของรูปปรมถ้าเข้าถึงฌานแปดได้ก็คืออรูปฌานก็จะไปอยู่ในอรูปประพบอรูปเป็นอรูปประคมแปดต่างกันที่ต่างกั น, น, นระว่า สองระดับนี้ก็คือความสุกับความสงบความสงบของรูปประชาที้ไม่สงบเท่ากับความสงบของอารูปประชาคุณประชาครับถ้าฝึกถึงขั้นอุเบกขาได้ความรู้สึกที่อยากจะพ้นทุกจะลดน้อยลงไปด้วยไหมครับตอนที่มันมอุเบกขามไม่มีความอยากเลยพะทยางานให้มันเปนอุเบกขาได้ตลอดเวลา เวลาที่อยู่เบรคายออ่อนอ่อนลงความอยากต่างๆาก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ความอยากจะพ้นทุกข์นี้ไม่ได้เป็นกิเลสไม่ต้องไม่ต้องกลัวความอยากพ้นทุกข์นี้เป็นธรรมเป็นตัวที่อยากผลักดันให้เราปฏิบัติต่อไปให้ถึงคิดให้ถึงจุดที่เราพ้นทุกข์ได้คุณสนั่นครับขออนุญาตกลับเรียนถามพระอาจารย์เลยว่าได้ยินคุณหมอว่าพระอาจารย์รวยที่สุด ก็เลยอยากทราบว่าทํายังไงเพราะใครๆก็อยากรวยกันทั้งนั้นจริ่งทุกวันนี้ด้วยความโลภโกรธหลงเยอะมากข้ามกลางเศรษฐกิจที่เริ่มจะอยู่ยากขึ้นทุกวันอยากให้พระอาจารย์หาทางออกให้ครับเพื่อจะได้ลดความอยากรวยลงเพื่อความทุกข์จะได้วางคลายลงบ้างนัมรสการครับก็คือทําใจเราให้อิ่มทาใจให้เราเป็นนุเบคขาพอใจลราอิ่แล้วเราก็ไม่อยากจะได้เลย อยากได้อย่างนั้นก็แค่ปัจจัยสี่มาเรื่องปากเรื่องท้องไปวันวันหนึ่งนั่นเองดูผ้าเรียบบุคคลท่นก็มีท่านนี้นะปัจจัยท่านก็มีค่าบริการอัตราบริการมีบาดใบมีผ้าซับผืนมีที่ประคดรัดเอวแล้วก็มีเข็มก็ได้ไว้ซ่อมมีมีดกรรไว้สําหรับปรงสีสาะปองผมปองโปรดแล้วก็มีที่กรองน้ำเท่านั้นเอง ให้เป็นสมบัติเข้ามาอาเศรษฐีเพราะเป็นเพราะไม่ต้องการอะไรแล้วอิ่มแล้วพอแล้วเนือเฟือแล้วแต่คนที่มีร้อยล้านอันล้านน้อยังอยากจะมีเพิ่มเนี่ยก็แสดงว่ายังเป็นยังหิวอยู่ยังอยากยังต้องการยังเป็นเหมือนขอทานอยู่ขอทานก็ยังอยากได้ขอทานวันนี้ได้สิบบาทพรุนี้ก็อยากจะได้ยี่สิบบาทถ้ายังไม่เจอถึงคำคำว่าพอก็ยังไม่ถือว่าเป็นเศรษฐีจริง ถ้าเป็นเศรจีจริงๆแล้วต้องออกพอแนละ้วไม่เอานะังนั้นพยายามฝึกอุเบกขาฝึกสติให้ได้อุเบกขาแล้วฝึกปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสที่จะมาทำลายอุเบกขาให้มันหมดไปจากใจแล้วใจก็จะมีอุเบกขาตลอดเวลาอินตลอดเวลาพอตลอดเวลาคุณเอ็กซ์ครับ เวลานั่งสมาธิทำไมถึงมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยิงเข้ามาในหัวครับเราไม่ต้องไปรู้ว่าทำไมครับมันจะให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันสแสดงว่าใจเราไม่มีสติพอมันยังคิดปรุงแต่งได้นะเราพยายามเจริญสติต่อไปอย่าเพิ่งหยุดพุดโทโธพุโทโธไปโรงการนั้นไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาเลยอันนั้นถึงจะเทวจิตสงบอย่างแท้ y ank, y ank er จริง สมพรครับโยมเสมือนหลงตัวเองเสมือนอยากได้ยินได้ฟังคําพูดคําจาที่ตรงใจที่ถูกใจเราแต่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแบ่อยครั้งคิดเองไม่ได้แสดงว่ายโยมมีสติมีกําลังอ่อนทางสติไปหรือเ ป, เปล่าครับก็ไม่ทั้งสติทั้งปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาคอยเตือนเราอยู่ทุกครั้งเวลาที่เราได้ยินได้ฟังอะไรจากใครนี้มันมันจะเตือนเราว่าอ อย่าไปวังอะไรจากเขานะเขาจะพูดดีพูดไปดีก็เรื่องของเขาปากของเขาเรามีเรามีอย่างเดียวท่องทําก็คือพยายามทําใจยอมรับกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปก็เท่านั้นเองนี่เราไม่มีปัสติปัญญาในระดับนั้นเนี่ยเราเผอแล้วพอเราไปคุยกับเขาเนียสติปัญญาละหายไปท่านนี่ยังมาคอยเฝ้าดูใจตือนใจเราไปคอยไปคอยพูดไปคอยตอบโต้กับเขาแล้วเวลาเขาพูดแล้ว คุณธนวัลครับเมื่อเกิดอาการแพนิคถ้าไม่อยากทานยาสามารถใช้ธรรมะรักษาได้หรือไม่เจ้าคะและธรรมะข้อไหนคะได้ก็สตินี่แหละถ้ามีสติมันก็จะทำให้อาการต่างที่เกิดจากในใจนี้สงบลงไปได้พยายามฝึกสติเช่นใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆพอเริ่มนึกถึงเริ่มมีอาการก็เริ่มทาพุโทโธพุโทโธพุทโธไปแต่ต้องซ้อมทำมาก่อนนะ ถ้าเราไม่เคยซ้อมฝึกพุโทโธมา ก, ก่อนเราถึงเวลามันพุโทโธไม่หอกเห็นน่าพยายามมันพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนยืนยืนนั่งนอนเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิับพุโทโธพุโทโธคิดว่าซ้อมพุโทโธพุโทโธเมันกับนั่งวิ่งนักวิ่งเขา้องซ้อมวิ่งอยู่ทั้งวันถึงเวลาที่เขาลงแข่ง ข, ขันก็จะได้วิ่งได้ถ้าไม่ซ้อมถึงเวลาแข่งขันเขาวิ่งเข้าสู้เขาไม่ได้ ถ้าเราไม่สร้างพุทโธก่อนเราก็จะสู้ตัวแพนิกไม่ได้ตัวแพนิกมันก็คือความตัวคิดปุ่มแต่งนี่แนหะแต่คิดไปในทางที่ทําให้เกิดความวาดตระหนกขึ้นมาเกิดเต้นตับใจขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกพุโทโธได้ดีเราสามารถระงับความคิดตื่นตระหนกได้จิตก็สงบมากไม่มีแพนิกเกิดขึ้นได้คุณวันเพ็ญครับปฏิบัติ มักในชาตินี้แล้วยังไม่บรรลุผลการสร้างเหตุไว้จะส่งผลต่อเนื่องในชาติหน้าให้บรรลุผลได้ลูกเข้าใจถูกไหมเจ้าคะก็ถ้ามันถ้ามันสร้างแล้วมันมันมีอะไรมีกําลังที่จะอยู่บางทีมันสร้างแบบน้อยมันก็อาจจะจางหายไปได้นีมันอยู่ที่ว่าเราสร้างมากสร้างน้อยด้วยถ้าสร้างมันจะกระทั่งมันเป็นนิสัยนี่มันก็จะหายยาก ถ้ามันไม่เป็นนิสัยนี่มันก็จะหายง่ายกว่าเช่นถ้าเราทําบุญทาทานเป็นนิสัยเนี่ยมันก็จะติดไปกับเราแต่ถ้าเราทําบุญทาทานมันพังเป็นครั้งเป็นคราวบางเวลามันไม่เป็นนิสัยมันก็อาจจะหายไปจากใจเราได้อยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยถ้าทํามากมันก็จะหลงอยู่ติดกับใจเราได้มากแล้วมก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราจะไปเกิดใหม่ด้วยว่าเราจะไปเกิดเมื่อไหร่ มันทีเราอาจจะไปใช้นี่ใช้บุญใช้กรรมอยู่เป็นหลายร้อยปี อ, อ, อ, อสิ่งที่เราเคยทำมาแบบถ้ามันไม่ได้ทําแบบเป็นนิสัยน่าจจะพัดจาให้ยไปจากใยเราก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําให้มันเป็นนิสัยได้หรือไม่ถ้าเป็นนิสัยได้มันก็จะฝังอยู่กับใจเราไปไนานคุณปิยรัตน์ครับ ถ้าพิจารณากายด้วยการนึกภาพกระดูกในร่างกายตัวเองแยกธาตุต่างๆในกายแล้วจิตสงบนิ่งใช้วิธีพิจารณานี้ต่อได้ไหมครับรอาจารย์ได้ทำยังไงก็ได้ถ้าถ้าได้ผลคือทาให้จิตนิ่งสงบก็ใช้ได้จากคุณนกครับ หนูเพิ่งเรียนเริ่มนั่งสมาธิมาได้ 3- าถึงสเดือนโดยนั่งทุกวันก่อนนอนประมาณครึ่งชั่วโมงช่วงแรกๆหนูบริกรรมก่อนและตามด้วยการดูลมหายใจแต่ช่วงหลังนี้ดูลมหายใจเลยไม่ได้บริกรรมระยะหลังนี้หนูนั่งดูลมหายใจแล้วรู้สึกง่วงเหมือนจะหลับแต่อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าจิตหลุดเข้าไปในห้องมืดว่างและรู้สึกตัวตื่นดีแต่ไม่รู้สึกถึงลมหายใจก็นั่งดูต่อไปสะะักพักถึงจะรู้สึกถึงลมหายใจอีกครั้งเป็นแบบนี้3าถึงสครั้งจนออกจากการนั่งสมาธิ รูฝึกฝนเองเลยไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือไม่หรือควรวางจิตแบบไหนครับก็ฟังนั้วก็นั่งจะจิตสงบเมืเวลาจิตหลุดเข้าไปในห้องมืดว่าเแล้วรู้สึกตัวเตือนดีนี่ก็อาการของความสงบเจิตสงบจะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นก็จะไม่รับเรื่องลมหายใจแต้ก็อยู่ได้สักพักหนึ่งเราก็ถอนออกมา พอตามมาเขาก็มารับนรู้ลงหายใจครั้งถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ดูลมใหม่ดูลมตาใหม่อย่าเพิ่งเลิกพยายามนั่งให้มันนานขึ้นจากครึ่งชั่วโมงลองให้มันเป็นชั่วโมงนึงคุณปิยรัตน์ครับอาทิตย์หน้าหนูต้องไปเข้าอุโมง MRI ค่ะพระอาจารย์ภ่ากลัวที่แคบมากๆเจริญมรณ า, านุสติจะช่วยได้ไหมคะ คือวาแล้วแต่เรถ้ามันมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่นี่เพียงแต่ว่าเราจะเอามาใช้ทําให้ใจเราสงบได้หรอือไม่เขาคิดว่าเราเราเรากำลังตายเขาเล่ากันว่าเรา ต, ตายไหมเขาเอาศพเราเข้าไปในเครื่องเราก็ทําใจให้สงบอยากคิดปรุงแต่งหลับตาแล้วคิดว่าเหมือนเรานอ น, น, อนหลับไปก็ได้หรือว่าตอนที่เรานอนหลับ ตนนี้เานอนหลับนี่ใครจะมาทำอะไรครับร่างกายเราเราก็ไม่รู้ละคุณพรเพนบอกท่านอาจารย์เคยโกรธไหมมีอะไรที่ไม่ชอบไหมคะถ้ามีแก้ไขยังไงครับก็ไม่อยากจะพูดนะเพราะเดี๋ยวพูดแล้วมันอาจจะมันอาจจะไม่เอาว่ามีบ้างบางครั้งบางคราวก็ได้นะแต่ก็โกรธแบบปั๊บเดียวบางที มันก็อาจจะมีบ้างเวลาที่เราบางทีพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องฮาหาอยู่เรื่องยๆบางทีก็ลองคายึ้นมามนกมขัดข้อบางทีรู้ว่าใครหูหนวกเนฮ่ยหาอย่างเงี้ไม่อยากจะพูดด้วยจะว่าโกรธหรือไมก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่พอใจแล้วกันครับหรือบางทีบอกให้คนก็ทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ไม่ทำํำ ไปทำอย่างโน้นหนึ่งบางทีมันก็เกิดก็เกิดเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับว่าจะไปอาฆาตยาบาทไปไปโกเกียดจะั่นครั้ ง, ค, งคิดอยู่ในใจเป็นชั่วโมงอะไรไม่มีมันก็แค่ชั่วขณะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคุณปูเป้ครับถ้าจะพิจารณาวิปัสสนาหรืออสุภะจำเป็นต้องเจริญสมถะให้มีสมาธิที่เข้มแข็งจนมีอุเบกขาก่อนไหมครับ เพราะว่าถ้าไม่มีอุเบกขาบางทีพิจารณาไม่ได้นะบางคนนี่คิดถึงความตายนี่ถ้าจิตไม่มีอุเบกขานี้จะเกิดอาการอไม่สบายใจขึ้นมาเกิดอาการรู้สึกคดผูกใจยิงให้ดูภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายบางคนจะเป็นลมก็มีมีคนบางคนไปดูการผ่าศพที่โรงพยาบาลนี่ามดท่าจะเป็นลมตรนี้ถาใจไม่แข็งใจแข็งก็คือใจที่มีอุเบกขานี้ คุณพิสิทธิ์ครับกลับพระอาจารย์สุชาติครับผมปฏิบัติมาตลอดพิจารณาอาสุภะมาตลอดจนมีเหตุการณ์ที่ต้องพาพ่อเข้าผ่าตัดยกทวารเทียมเอาไว้ที่หน้าท้องที่หน้าท้องพ่อก็มีถุงอึกระบวนการระหว่างการผ่าตัดจนกระทั่งผ่าตัดเสร็จผมคลุกคลีอยู่กับพ่อและเข้าออกโรงพยาบาลตลอดจนทําให้เริ่มเห็นว่าร่างกายเป็นของสกรปรกเป็นถุงหนังหุ้มอุจจาระโดยพิจารณาจากพ่อที่มีถุงอุจจาระอยู่ที่หน้าท้องความรู้สึกความต้องการทางเพศผมหายขาดไปประมาณสเดือน หลังจากนั้นเริ่มมีกลับมาใหม่กลับมาบ้างแต่ผมใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นเพียงถุงหนังผู้อุจละอยู่ได้เราพยายามพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ้็มันจะทําให้ความต้องการทางเพศมันลดลงไปแต่ถ้าเราหยุดพิจารณาเมื่ อ, อไหร่เดี๋ยวมันก็มันก็ลืมได้ลืมได้แล้วความต้องการความทางเพศก็าจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดถ้าเราต้องการทางน้มันเราก็พิจารณาใหม่ก็ได้ คุณบัวครับที่บอกว่าให้สังเกตลมหายใจใช้อะไรสังเกตคะเพราะเวลาหลับตาแล้วเหมือนเอาตาที่หลับนั้นตามดูก็ตัวรู้รู้ตามตามดูลมหายใจให้รู้ลมหายใจรู้ว่าลมกําลังหายใจก็เาเรไม่ต้องใช้ตาดูแต่เใช้การสัมผัสรับรู้การสัมผัสของลมที่ปลาจมูกได้เวลาลมเข้ามันจะร้องไปสัมผัสเยู่แถวบริเวณปลายจม เวลาออกมันก็จะสัมผัสอยู่ทางบริเวณปายจมูกใกล้ตรงจุดที่มันสัมผัสเข้าออกนั่นแหละคือการดูหลงไม่ได้ดูด้วยตาดูด้วยใจรู้ด้วยใ จ, ยใจคุณแพทครับการเรียนถามค่ะช่วงไม่สบายห่างจากการปฏิบัติเมื่อหายกลับมาฝึกนั่งสมาธิอีกทีแต่งวดนี้แทนการมีความคิดฟุ้งร้านความคิดฟุ้งกลับมาเป็นภาพต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมด พยายามบริกรรมก็ไม่ค่อยได้ผลทําอย่างไรให้ใจสงบคะถ้าบริกรรมยังไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปยาวๆสักครึ่งชัชมมง่วโมงชั่วชั่วโมงสวดบทที่เราจําได้บทสั้นก็ได้แต่สวดมันหลายรอบเช่นสวดบทในทีปิโซไปร้อยจบอย่างนี้มันก็จะทําให้ภาพต่างๆที่มันโผลขึ้นมาม้หายไปได้การใจเราจดจ่ออยู่กการสวดมนต์เพียงอย่างเดียว ไม่สนใจไปหาภาพที่ปรากฏขึ้นคุณปาริชาติครับตอนนี้เพียรปฏิบัติทุกวันแต่เมื่อวานไปอ่านข่าวเกี่ยวกับการฆาตรกรรมต่อเนื่องที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่ยุค70แต่กลับสลดใจอย่างมากเกิดความกลัวว่าเราจะได้พบกับคนแบบนี้เมื่อไหร่ก็ได้และต่อจากนั้นก็คิดว่าความมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความทุกข์จริงๆ แต่อย่างนี้แปลว่าการปฏิบัติยังไม่แข็งแรงเลยใช่ไหมคะเพราะยังอ่านข่าวรู้สึกคิดตามไปด้วยครับใช่เพราะเรายังมีมีอุเบกขาน้อยอิเลนมันก็เลยเอาความคิดตรงแต่งไปคิดในทางโลกกันอยากจะรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ติดตามคนนั้นติดตามคนนี้อะแต่ถ้าเรามีอุเบกขามากขึ้นเท่าไหร่ความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวต่างๆมันก็จะเบาเบางไปน้อยลงไป จง ก, ก็ต้องไม่สนใจน เ, นเลยเลยก็ได้ถ้าถ้าหิวเบคขาเต็มที่แล้วมันไม่หิวโหยกับอะไรแล้วคุณแม่ชีนภัทรครับการนักสการหลวงปู่หลวงปู่สุชาติขันอายตนะธาตุาใช้ธรรมะข้อไหนในการปฏิบัติคะม่สามาใช้ธรรมะอะไรพวกนี้มันก็เป็นธรรมะทั้งนั้น ขันก็หมายถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันยนะก็คือตาของจะบกนิ้งกายคํารูปเสียง ก, กิ่นรสโผฏฐัพพะท่านก็คือท่านดินน้ํามไฟมันก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเป็นเรื่องของการเป็นการเป็นเรื่องของของปัญญาเราก็ต้องรู้ว่าขันห้าเรามีขันห้าอยู่เรารู้แบบมีอะไรบ้าง คณะเราก็ต้องรู้ว่าเรามนรูปคือร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกสัญญาก็คือความจําได้หมายรสังขารก็ความความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็คือการรับรูยรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับอายตนะก็คือตาหูจมูกมืนกายส่วนธาตุก็คือดินน้าลมไฟเป็นเป็นตัวที่มาทําให้สร้างร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้ต้องมีธาตุสี่ร่างกายนี้ทำมาจากธาตุสี่ ธาตุสี่เป็นมั่นถุดิบของการสร้างร่างกายถ้าขาดธาตุใดธาตุแบบนี้สร้างร่างกายไม่สําเร็จถ้ามีเพียงสามธาตุมีดินมีน้ําำแต่ไม่มีไฟมีลมแต่ไม่มีไฟมันก็เหมือนกับว่าไปอยู่ที่เช่นไปอยู่ในโลกขัวโลกเหนือเนี้ยมีดินมีน้ํามีอากาศแต่ไม่มีไฟต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างขึ้นไม่ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของธาตุสี่นี่ก็คือเรื่องเป็นธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อที่เราควรจะศึกษาทำความเข้าใจแล้วเราจะได้ปัญญาได้รู้ความเป็นจริงของชีวิตของตัวเราว่าเราเป็นอะไรกันแน่คุณสมพรครับวิธีการอุเบกขาอีกครั้งจากพระอาจารย์โยมยังงงงตรงที่ว่าต้องอุเบกขาก่อนจึงเมตตากรุณามุติตาตามหรือว่าโยมยังสะดุดความเข้าใจกันอยู่ น้องกลับขอคำแนะนำครับคือถ้ามีอุเบกขาแล้วเมตตาโราุณามันมันต่าง ม, มาเองคือถ้าใจเรามีความสุขมีความอิ่มแล้วการที่เราจะให้ความเมตตาคนหนึ่งง่ายให้ความแบ่งปันความสุขให้กับคนไหนเพราะเรามีความสุขที่จะแบ่งปันให้เขาได้แต่ถ้าเราไม่มีความสุขเราจะเอาความสุขไปแบ่งปันให้เขาได้อย่างไรเรายังหิวอยู่เรายังอยากอยู่เรายังอยากได้รถยนอยู่เนี้ย ถ้าเราอิ่นแล้วเราไม่ต้องใช้รถยนจ์จะไม่ใช่แฉกนี่จะใช้อะไรก็ยกให้คนอื่นเข้าไปก็ได้เมตตามันก็ไยขึ้นไ ด, ไ, ได้ง่ายกว่าคนที่มีความพอแล้วคนที่เป็นไม่ต้องการอะไรแล้วทรัพย์สมบัติภายนอกเขาจะเก็บไว้ทําไมเก็บไว้ก็เกะกะเขาก็ไปแจกเข้าไปแจกได้แต่ถ้ายังมีความหิวอยู่ถ้ายังไม่มีมอุเบกขาใจมันยังมีความหิวมีความอยาก มันก็จะให้ความาเมตตากับคนอื่นยากจยาของมาแจากคนอื่นก็เสียดายอยากจะเก็บขานี้ไม่ใช้ให้กับตนเองเพราะตนเองต้องการใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เองต้องการใช้เงินอยู่เนี้ยยาเงินมาแากให้คนอื่นก็คงจะทำยากแต่คนที่ไม่หิวไม่ไม่ต้องใช้เงินแล้วต้อจะเก็บเงินไว้ทํำไมก็อเอาไปบริจาคให้คนนั้นคนนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้ไป คุณเมดิเทชันครับหลับตาประนมมือที่ถูกต้องคือการเจริญสติกายคตาสติโดยการเอาสติไปรับรู้ความรู้สึกของมือสองข้างที่สัมผัสกันขนาดที่มือสัมผัสกันจิตจะไม่เกิดการปรุงแต่งของจิตนี่แน่ใจเป็นคำถามว่าครับไม่ใช่หรอกการเจริญกายกาคตาสติต้องเจริญตั้งแต่เราตืา่นขึ้นมานอนดูการเคลื่อนไวหวต่างๆของร่างกายให้ใจเข้าดูการเคลื่อนไวหวตา่างๆ ตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กําลังเดินกำลังยืนกําลังนั่งกำลังนอนกำลังอาบน้านั่งหน้าแปะงัดนี่ให้มีการรับรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ไม่ใช่มานั่งพนมมือแล้วมันจะรกายะยตาสติอย่างหลวงพ่อลองดูท่านดูนิ้วขยับนิ้วไปแล้วก็จะระกสติดูนิ้วไปอันนี้มันไม่เป็นธรรมชาติเพราะเราเราวันๆนึ่งเราจะมานั่งดูนิ้วได้ มันวันหนึ่งเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแลเราทำนั่นไม่เราทำมันไม่ดูมันในตอนนั้นเลยไม่ต้องมานั่งรอดูนิว้วทำเสียเวลาทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายอ่านสติปัฏฐานด้ ว, วูสิสติปัฏฐานนับอก็ให้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะจะยืนจะนั่งจะนอนหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวายกแขนขึ้นยกมือลงมาให้รู้ทุกขณะ โดยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติชีวิตประจาําวันเราเราเคลื่อนไหวทําอะไรเมื่อก็ถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่ดูมันเราจะไปคิดเรื่องอื่นขณะที่เราเดินแล้วก็จะไม่อยู่ที่มันจะอยู่กับการเดินไปอย่างเดียวเดินไปก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปทํานู่นทํานี่อันนี้ก็ไม่มีสติละเดี๋ยวก็เดินไปสะดุดแล้วก็ลงเดี๋ยวก็ช น, น, นคนนั้นคนนี้เพราะไม่มีสติยิ่งจะมานี่มีมือถือเดินไปยิง่งนียิง่งยิ่งไม่มีสติใหญ่ ไม่ได้มีสติอยู่อาการเดินไม่มีสติอยู่กับการลืมมือถือเดินบางทีมีหุมมีบอ่อก็ตกนกสูัยปแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไปโทษคนที่เขาเปิดไม่มเป็นหลุมเปิ ด, ปดบออไม่ไม่โทษตัวเองว่าตัวเองไม่มีสติ <Okay. S 3> คุณมนทิพ์ครับเวลาปฏิบัติไปนานๆแล้วเบื่อหน่ายในการเข้าสังคมอยากปริคเวกและเพ่งโทษตัวเองมากกว่าเพ่งโทษคนอื่น ไม่ยินดีในคําชมใดๆรู้สึกเฉยๆในทุกสิ่งทุกสิ่งแบบนี้ผิดปกติไหมคะมันผิดหรอมันอันจะผิดปกติสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติในคนปฏิบัตินี้เป็นเรื่องธรรมดานี่แหละเป็นลักษณะของคนที่ปฏิบัติคนที่ดีโอเวคมักจะเป็นแบบนี้คุณสุพันธ์ครับคนที่เคยเกลียดชังเรามาโดยตลอดหลายปีเจอกันทีไรเข้ามาตีมาด่าครับพระเจ้าไม่ได้ตอบเลย ต่อมาข้าพเจ้าเลยเข้าไปถามถึงเหตุที่เขามาเกลียดเราบอกเขาว่าขออภัยหากตัวข้าพเจ้าได้กระทําสิ่งใดที่ท่านไม่ชอบก็ขออภัยด้วยแค่นี้เขาก็ดีกับเราไม่มีศัตรูแล้วค่ะอยากถามว่าที่ผ่านมาเขาทําไม่ดีกับเราเขาจะได้รับผลกรรมไหมคะทั้งนั้นที่เราไม่เอาเรื่องเขาเลยค่ะก็มันก็เป็นเป็นเรื่องของกรรมที่ถ้าเขาทาไปทําับใควันหนึ่งเขาอาจจะถูกเขาทำกรรมก็ได้แต่จะเกิดขึ้นมา่อไหรไม่มีใครรู้ ชาตินี้แลยชาติหน้าและชาติต่อไปไม่มีใคนองคุณคูบอยครับนั่งภาวนาแล้วชอบง่วงเลยมักจะใช้เดินไปเดินมาพร้อมกับเปิดธรรมะฟังแบบนี้เราจะก้าวหน้าได้แค่ไหนครับก็ได้ได้แค่เดินเจริญสตินั่นแต่พอจะมานัา่งเข้าสมาธิก็ยังเข้าไม่ได้เราต้องหาวิธีกำจัดความง่วงด้วยการลดการบริโภคอาหารลงให้น้อยลง เคทานสามื้อก้าวแค่สองมือ้อหรือถ้าสองมื้อก็อาแค่มื้อเดียวท้ามื้อเดียวยังง่วงอยู่ก็กินวันแม้นวันก็ได้อดข้าววันกินวันหนึ่งมันก็จะทําให้เรามีสติมากขึ้นความง่วงก็จะน้อยลงไปถ้าเรานั่งสมาธิเราก็จะได้เข้าสมาธิได้มันถึงจะก้าวหน้าถ้าเราไม่มีมาตรการปรับตัวเองนี่มันก็จะติดอยู่ที่นี่แหละก็ทําได้เท่าไหร่ก็จะาได้เท่านั้น คุณมาริกาครับน้อมจิตกรกรัตสการมีคําถามว่าพ่อมีอายุมากและไม่สามารถทํางานได้เวลาจะทําบุญลูกๆให้เอาเงินตนเองออกให้พ่อทุกครั้งการทําบุญเช่นนี้พ่อจะได้บุญไหมคะไม่ได้หรอกต้องเป็นเงินของพ่อเพราะนั่นเป็นคํามความคิดของพ่อด้วยดั้นลูกจะไปทําบุญเพราะว่ า, าลูกฝากทาบุญหน่อยพ่อไปไม่ไหวจัดฝากให้ลูกไปทําบุญทำเงินขงพ่อแล้วมอบให้ลูไ ป, ลไปทำบุอย่างนี้พ่อถึงจะได้บุญ คุณช ย, ยดาครับถ้าต้องสั่งยาปฏิชีวนะให้คนไข้จะเป็นกรรมปาณาติบาตไหมคะและกรรมใดที่ทําให้เป็นผิวหนังอักเสบไม่หายสักทีเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันนเรื่องเรื่องผิวหนังคุณต้องไปเป็นหมอถ้างไปปรึกษาหมอดรือว่าแต่เรื่องการให้ยา น, นี้ไม่ถือว่าเป็นการเป็นปาณาติบาตนะเป็นการให้ยาเป็นการรักษาร่างกาย พอดีว ok well, no ่าเชื้อโรคี้เป็นสิ่งที่ไม่มีดวงวิญญาณไม่มีวิญญาณ้าเป็นาสิ่งที่มันไม่มีดวงดวงวิญญาณไม่ถือบาสเช่นไปตัดต้นไม้นี้ก็ไม่บาสเพราะต้นไม้ไม่มีดวงวิญญาณคุณปลายเล็กครับโยมปฏิบัติเกือบทุกวันทําวัดเช้าตีสี่ตีห้านั่งสมาธิสี่สิบห้านาทีเกือบทุกวันทํามานานหลายปีครับ ไปถือศีลแปดที่วัดเกือบเดือนโอกาสจะบรรลุธรรมใหม่คะ้ะโยมยังมีครอบครัวครับคงยากนะถ้าจะบรรลุธรรมมันต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนทุกวันถ้าอย่างนั้นอาจจะได้ภายในเ จ, จ็ดวัน7จเดือนก็เจ็ปีถ้าอย่างนี้จะดชาติกว่าจะได้ปะคุณแอ๊กครับ อยากให้พระอาจารย์เมตตาให้ร a d แบบในการปฏิบัติว่า Moment of Truth ของการบรรลุธรรมควรมีความพร้อมด้านใดแค่ไหนครับพวกเราจะได้พยายามทำเหตุให้ใกล้พอหวังผลได้ครับก็มีความพร้อมที่จะไปทำการปฏิบัติอย่างเดียวไม่ทำงานทำงานกับการ้วคือไปดวนนั่นเองถ้าไปดวนนี่มันก็เป็นขั้นต้นค่ะขั้นเริ่มต้นนะ เราบวชล้วเราก็จะได้มีเวลาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนมีเวลาหนึ่งจะ ก, กองนั่งสมาธิมีเวลาฟังเทศ ฟ, ฟ, ฟังธรรมเรือศึกษาธรรมะเนี่ยเราต้องเราต้องไปเป็นนักบวชให้ได้ถ้าเป็นนักบวชแล้วมันเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็จะมีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยบอกเราคอยเตือนเราให้ทำํำในสิ่งที่เราควรจะทำคุณพัทราครับ เมื่อเชื่อมั่นว่าทุกๆรูปทุกๆนามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจิตก็ยังนึกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างไม่สามารถห้ามให้หยุดได้กระผมควรทําอย่างไรครับก็ต้องเพิกสติจิตมันจะคิดอะไรถ้าเรามีสติแล้วก็ห้ามมันได้อยุดมันได้แต่เราก็ไม่ได้ห้ามมันตลอดเวลานะเราเพีนงแต่ห้ามมันไม่ให้เราเวลาที่เราต้องการเข้าสมาธิเราก็ต้องห้ามมันไม่ให้คิดได้เท่านั้นเอง เวลาที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเราก็จะให้มันคิดไปในทางปัญญาก็ได้มันพิจารณาตายรัตพิจารณาดินน้าำลมไฟพิจารณาสุภาษอย่างนี้ก็ได้ก็อย่างนี้ก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งแต่เป็นความคิดที่ดีความคิดที่จะดั่ที่เลดคุณธิดารัตครับเมื่อร่างกายมีอาการปวดและได้ทดลองใช้ร่างกายมาทําเป็นสมาธิตามดูการปวดแล้วการปวด ปวดเ um ปป after, ได้ซึ่งจะทําได้ระยะหนึ่งแต่สักพักกลับมาปวดแล้วต้องเริ่มต้นใหม่เป็นการทําสมาธิที่ถูกหรือไม่คะก็ทําสงบก็ถูกถ้ามันไม่สงบก็ไม่ถูกนั้นดูที่ผลว่าทําแล้วมันสงบหรือไม่ถ้ามันแลาวไม่สงบกก็ไม่ก็ควรจะใช้วิธีที่พระเจ้าสอนดีกว่าให้ดึงลมหายใจไปดีกว่าหาใจคํำเลยคำพุ่งเถ้พุ่งเถ้ไปดีกว่าอย่าไปสนใจกับการปวด คุณบรรณสอนครับคุณแม่ชอบโปรยข้าวให้นกกินแล้วน้องหมาที่บ้านของคุณแม่ก็จะกัดนกตายอย่างนี้คุณแม่บาปไหมครับไม่บาปหรอกคุณแม่ก็มีเมตตาให้อาหารกับนกมันเป็นกรรมของนกที่มันจะต้องตายมันชาติก่อนน่า จ, จะเคยเป็นหมามากัดนกมาก่อนชาตินี้ม่ชาติก่อนอ จ, จะเคยเป็นหมาไปกัดนกชาติที่เลยต้องกลับมาเกิดเป็นนกให้หมากัดตาย แต่ถ้าคุณแม่อยากจะรอบข้าวคุณแม่ป่วยอาหารไม่บทที่สูงที่หมามันขึ้นไปไม่ได้นหาโต๊ะหาเก้าอี้อะไรสูงแล้วก็นปวดเมืม่อยบนโต๊ะอย่างนี้ก็ไปการป้องกันเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าเราปวยบนเด่มโอกาสที่หมาจะมากัดนกตายก็มีอยู่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้นกตายเราต้องการจะเล่นนกเพื่อให้นกมีชีวิตอยู่แล้วก็ควรจะโปรยอาหารในที่ที่หมาไม่สามารถขึ้นไปได้ขึ้นไปกับนกได้ คุณแพทครับสวดมนต์ในใจหรือฟังธรรมะจากวิธยุจะได้บุญไหมคะก็อยู่ที่ว่าสงบหรือไม่สงบถ้าสงบก็ได้บุญบุญก็คือความสุขความสงบเลคุณยำยำยุบยิมย้มครับหนูข้อสอบถามกับสัตว์จรในหมู่บ้านมีลูกบ้านกำลังจะจับ จะเอาไปปล่อยหนูอยากช่วยมากแต่ไม่สามารถเลี้ยงได้พยายามติดต่อนหน่วยงานแต่ก็ยังไม่เป็นผลกลับมาทุกข์กับหมาแมวจรตลอดหนูควรทําให้สุดทางหรือควรปล่อยวางคะก็รทำหน้าที่เราจะทําได้เมื่อว่าทําไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยวางทาใจไปดูเบนคาไปถ้าคิดว่ายัางมีช่องทางที่จะช่วยเขาได้ก็พยายามทําต่อไปแต่ถ้าคิดว่า ม, หมัหมดเส้นมันหมดช่องทางที่จะช่วยเขาแล้วเราก็ต้องทอําใจอยากไปทุกข์กับเขา คุณสุปตาครับมีปัญหากับพี่เรื่องการดูแลคุณพ่อเราเลยรู้สึกไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพี่เลยสอนใจตัวเองว่าก็ดีเราจะได้ตัดความผูกพันออกไปเวลาพัดพรากจะได้ไม่เสียใจพยายามวางเฉยไม่สูงสิงหหนูคิดแบบนี้ได้ไหมคะก็ได้ถ้าถ้าเราไม่มีส่วนที่เราจะไปทําหน้าที่ดูแลพ่อถ้ามีคนหนึ่งก็จะดูแลอยู่แล้วก็เราก็ต้องทํา ทำใจว่าก็ไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่าป่อยให้เขาทาให้เ้าเต็มอย่างเต็มที่แต่แล้วก็อาจจะรอว่าถ้าเกิดวันใดเขาไม่ไม่อยากจะทำเขาจะยอมนะให้เราเราก็ตรับความที่จะรับท่าที่ดีต่อเพราะการเป็นบุญนี่ต้องมีความกตัญญูกตเวทีไม่ใช่แบบ ท, ทิ้งไปแบบไม่ไม่ไม่เหลียวแลเลยไม่ใช่นะทิ้งไปเพราะว่าเหตุการณ์อันนี้มันมําให้ปล่อยพอมีคนเข้าดูแลไม่อยากจะมีปัญหากับคนที่เข้าดูแลอยู่ เขปล่อยเขาดูแลไปแต่แล้วเกิดเข้าเป็นอะไรไปขึ้นมาเขาไม่สามารถดูแลพ่อได้ก็เราก็ต้องพร้อมที่จะเข้าไปทําหน้าที่ต่อบแทนทีมันช่ทิงแล้วทิ้งเลยพอเ้าดูแลไม่ได้ก็ไม่มีใครดูแลพ่อก็ปล่อยให้พ่ออยู่แบบไม่มีใครดูแลอย่างนี้ก็ไม่ถูกคุณวาฟเฟิลครับเพิ่งสูญเสียคุณแม่ที่รักยิ่งจะครบเดือนจิตเป็นทุกข์คิดถึงคุณแม่ อาการตอนแม่ป่วยตลอดเลยค่ะพยายามทําใจให้นิ่งโดยคิดว่าคุณแม่จะได้ไม่ห่วงเราแต่ทําไม่ได้ค่ะฝันถึงคุณแม่ตลอดเลยเจ้าค่ะก็พยายามพยายามพุโทโธพุโทโธไปทุกครั้งที่เราอยาคิดถึงคุณแม่พุโทโธพุโทโธไปแล้วสวดนตไปสวดไปจกนการจะหยุดคิดถึงคุณพันทิพครับอยู่ในช่วงหัดนั่งสมาธิเวลานั่งแล้วฟังธรรมไปด้วยได้ไหมคะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะนั่งแบบไหนถ้าเรานั่งแบบดูลงก็ไม่ควรไปฟังธรรมถ้าเรานั่งแบบพุทโธพุทโธเราก็ไม่ควรจะไปฟังธรรมเนว่เพราะมันจะมามาชนกันแต่ถ้าเรานั่งนั่งละเอาการฟังธรรมมาเป็นอารมณ์ก็ทําได้ถ้าเราไม่ใช้พุทโธเราไม่ดูลงหายใจออกเราใช้การฟังธรรมเป็นแทนพุทโธอย่างนี้ก็ทําได้แล้วแต่เราว่าเรานั่งแบบไหน อย่าไปพูดโธด้วยแล้วก็ฝันทำไปด้วยอย่างนี้มันจะมันจะชนกันคุณกันธดาครับขอความเมตตาเจ้าค่ะก่อนนอนภาวนาพุทโทและหลับไปฝันว่าดวงจิตออกจากร่างกายและมองดูร่างตัวเองอันนี้คือการเจริญมรณะสติหรือเปล่าคะเมื่อหลับก็เป็นการฝันนั่นเองเการฝัน อาจารย์นี้ตอบคาถามได้หมดแล้วครับอาจารย์เชิญเพื่อนๆส่งกลับได้นะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวภาพสัเด้ยวก็ได้ครับอาจารย์ครับแล้วงั้นระหว่างผมขอโอกาสถามอาจารย์น่อครับอาจารย์ครับแล้วตอนที่อาจารย์อยู่กับหลวงตาเก้าปีนี้อ่าหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้ไปทางอีสานหรือทางจังหวัดอื่นๆรือเปล่าหมครับไม่ไปเดอยู่ที่นี่ตลอดอยู่ที่วัญาณตลอไม่อยากจะเดินทางนะมันขี้เกียจจังเลอยู่ที่เช้ดีกว่า ไปแค่ท่านั้นมันไม่มีทหตที่เราจะต้องไปกาจะก า, กาอุปราชานก็กราบที่นี่ก็ได้ไยังเป็นจะต้องไปกราบที่นีข้างหน้าท่านาก็กราบตรงนี้แล้วก็ไปกราบต่อหน้าท่านนู้นไปกราบข้างหลังท่านาน่้นก็ไม่สนใจใหรอกท่านก็เปแต่รับรู้ว่ามากราบแล้วก็มากราบเราครับผม แล้วถ้าเรา می, มีมีมีปัญหาอยากต้องไปถามท่านเพื่อจะได้คําตอบเพื่อที่ถ้าเกิเราปฏิบัติตราติดตรงนี้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากท่านนี่ก็ต้องไปนะฮะแต่ถ้าจะไปเพราะคิดถึงอยากจะไปกราบท่านเห็นหน้าท่านนั้นก็ไม่ต้จะไปทไําะไรก็ดูรูปท่านก็ได้รูปขท่านก็มีเยอะแยะที่ถ่ายเอาไว้แล้วเราไม่ต้องไปเดี๋ยวท่านก็มาหาเราเองสบาย้าเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปไหน ครับแ ล, แล้วตอนอยู่บ้านตาัดก็เหมือนอยู่ในป่าอยู่แล้วใช่ไหมครับ น, นั้นก็เหมือนก็เหมือนอป่าบนเขาเนอะนอกจากเวลาตอนเช้าไม่เป็ินระบากลับมาต้องมานั่งมาฉันที่ศาลากันฉันชันที่ศาลาเสร็จก็ช่วยกันล้างบาชิบบาถูบาแล้วก็ช่วยกวาดถูศาลาให้เก็บทําศาลาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็แยกกลับไปที่กุฏิครกุฏิเหมัอนก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ ไปจะ ก, กว่าจะถึงช่วงบ่ายก็ออกมาปัดกวาดปัดกวาดก็เริ่มกาดมาจากที่ที่ที่ที่พักของเราแล้วกวาดมาตามท า, ทางที่จะมุ่งมาที่ศาลาแล้วก็มาช่วยกวาดรอบบริเวณศาลาเสารา็จแล้วก็อาจจะมีการช่วยกันกกาากขึ้นไปทำความสะอาดศาลาอีกครั้งไปกวาดถึงสลายครั้งในช่วงบ่ายส่วนภาคบางส่วนบางลูกก็จะแบ่งไปไปไปโยกําจากหมอขึ้นมาใส่ทับทิม เราส่รถเข็นไปสายตามตุ่มในห้องน้ำตา่างๆไปตามกุติของกุติของครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะสมัยนั้นไม่มีน้ําประปาเลยวะต้องอาศัยการใช้น้ําบ่อแล้วก็มีเครื่องโยกเครื่องโยกเอาน้ําใสา่ใส่ปี๊บปี๊บสี่เหลีล่มแลาส่รถเข็นแล้วก็ไปเทเติมในห้องน้าาําต่างๆนั่นตามกุติ ต, าตา่างๆ กตฏิมักจะมีที่ล่างเทา้ามีตูดใบใบไม่สำคอนจะขึ้นกุฏิจะมีต่มน้ำํำไม่สําหรับตักน้ําน้ําท้าเข้าไปแตะให้มันเต็มแล้วก็แต่ก่อนที่ปฎกานนี้ช่วงมาท่านอาจารย์อนุญาตให้ให้ลงมาชั้นน้นําปานะได้จะมีโรงน้ำปนานะเกิดจะแม่อนุญาตให้ชั้นน้ปนาปานะที่กุติไม่ให้เก็บของชั้นไว้ที่กุติจะมีที่ทเก็บพวกน้ำตาลยาผ้าก้อะไรต่างๆเครื่องดื่อะไรต่าง แล้วก็พอถึงเวลาก็จะมีพรุาาลูกหนึ่งมาทําหน้าที่รับประเคนของให้พอถึงเวลาพระก็จะมามาชั้นก่อนพระเวรก็จะมีหน้าที่ต้มน้ำร้อนไว้ก่อนเวลาพระมาถึงเก็จะชั้นก่อนแล้วก็มีน้ำร้อนที่ชงกันเองได้พอฉันเสร็จเรื่องน้ำปนน้ำก็ช่วยกันปัดกวาดไปกวาดเสร็จก็ช่วยทํากิจิต พอเสร็จแล้วก็ไปส่งน้ํำกันครับแล้วส่งน้ําก็ไปบางส่วนก็มีมีมีห้องน้าที่ปุติก็ส่งที่ปุติก็ได้บางส่วนไม่มีห้องน้ําที่ปุติก็มาส่งที่ที่บอกนะครับครับแต่อาจารย์ก็ไม่ลงมาฉัานปนานหาใช่ไหมครับฉันน้อยฉันอยู่พอไม่ฉันอยู่ฉันตอนนั้นฉันอยู่ทุกวันทุกเวลาก็ลงมาแล้วครับ สมัยนั้นพระอาจารย์อยู่แค่ใช่ไหมเหรอครับอาจารย์เบื้องต้นก็อยู่ค่าคือช่งที่ไปอยู่ด้านล่างนี้มันอุติแตารางอุตินี้จะมีค่าของมันด้วยครับคือตารางพระไม่มากก็สามารถอารางอุตินี้กุติมันจะอยู่ในที่นอกที่มันไม่ไม่ไม่อับไม่ทึบที่ไม่มีไม่มีป่าไม้ขูมมากเกินไป ตัวแค่นี้มันจะยุเข้าไปอยู่ในในดงในป่าเลยทีมันก็สำหรับเวลาที่ต้องการที่จะเข้าไปอยู่ที่ที่วิเวกที่ไม่มีใครเดินผ่านมันจะเข้าไปอยู่ตามแค่เพราะตามทางตามกุติมันจะสร้างว่ามันจะมีทางเดินเชื่อมกันตามกุติต่างๆแต่ทางแค่ที่มันจะเป็นเหมือนทางต่นเข้าไปแล้วมันไม่มีใครเข้าไปยุ่งได้ฉันแต่ละกุติจะมีแค่โดยสำหรับเวลาช่วงกลางวันก็อาจจะไป ปิดไม่เล่นเข้าไปใ น, นค่ตามเคยก็ออกข้อออกมาทีมา่มาพักที่ติ่งก็อยู่ทั้งสองอย่างมีทั้งทั้งกุเตและมีทั้งแค่ด้วยถ้าไม่อยู่ช่วงหนึ่งล้วก็ไม่มีไม่มีกุเตอยู่อยู่แต่ในแค่าอย่างเดียวก็่าครับอาจารย์ครับแล้วอย่างอย่า ง, ง, งอ่า ครูบาอาจารย์ที่สมัยก่อนยังหนุมน่มๆอยู่นี้ที่ที่เหมือนกับจิตก็สงบได้อุเบกขาแล้วอย่างนี้ยังกลัวครูบาอาจารย์ยังกลัวหลงตาอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับคือมันเป็นความกลัวแบบขารบมันไม่ได้กลัวเพราะว่วากลัวท่านจะมาทำร้ายหรืออะไรนะกลัวด้วยความขารบยอมเกรงยอมเกรงด้วยความยองเกรงกลัวว่าจะทําอะไรผิดพลาดประสาติแล้วทําอะไรมันไม่ถูก ท่านก็ต้องมาทำเนี่ยเรท่านเรานี่ยมากกว่าโอเนับแไม่ได้กลัวแบบว่าโอ้ท่านจะมาดูมาดามา่าันก็เพ่มาตีเราอะ่เมันไม่ดเป็นแบ้ครับอาจารย์เริ่มคำถามกลับมาแล้วครับครับคคุณสุ ม, มิตครับคนใกล้ตัวอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายเราควรจะวางใจอย่างไรเจ้าค่ะก็ก็นเราก็อยู่เข้ามาได้ น, นานแล้วไม่ใช่เหรอ ามันอยู่ต่อไปไม่ได้ท่านเมื่อก่อนอยู่ได้หรือว่าเขาไม่ร้อนตอนนั้นเขาไม่ร้อนเขามาร้อนตอนนี้ก็เราก็าต้องทาใจแล้วจะทำไงได้เข้ามาเราอยู่กับเขามาเขาก็จะเปลี่ยนไปก็ได้เขาพิจารณาปรตายรักไปว่านี่นั้นความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเขาไม่ร้อนแต่เดี๋ยวนี้เขาร้อนนะเราก็ต้องทําใจว่าเขาเป็นอนัตตาครับ ถ้าเราพิจาราเขาเป็นตารักได้แล้วก็เราก็จะวางใจได้แต่ถ้าเราไปพิจารณาว่าเขาต้อง เ, อเขาต้องไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อนนี้เหมือนตอนที่เขาคบกับเราใหม่ๆเขารักกับเราตามใจเราเอาใจเราแต่เดี๋ยนี้เขาไม่เอาใจเราแล้วนี่เราก็ต้องพิจารณาว่าเ น, นี่ยมันเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยมเป็นหน้าตา Julius. เราไปควบคุมบคเขาเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนได้ถ้าเราพิจรารณาอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางได้ หวเขาหงุดหงินไปไหวเขาร้อดไ ป, ไปเราอย่าไปหงุดหงินร้อนไปกับเขาเมื่อไรกันเราต้องพอใจว่านี่คือธรรมชาติคือธาตุแท้ทของเขาที่เขาอาจจะเก็บกดไว้ใหมานานเพราะตอนที่เขาคบกับเราเขาก็ไม่อยากจะเอาธาตุแท้ทออกมาโชว์แต่พอเขาอยู่กับเรานานพอแล้วท่านเขาไม่แคร์เราเราทีนี้เขาก็เขาก็ไม่สนใจแล้วเราไม่มีความหมายสำหรับเขาแล้วก็วพูดง่างๆยๆก็ได้ ผลไมาก็คือเขาบีบเขาเขาเอาน้อาออกไปกินหมดแล้วเลือแต่ซากแล้วเหมือนส้มเนี่ยเขาบีบคั้นเอาน้าหมดแล้ว แ, แล้วแต่ซากเขาก็โยดทิ้งเลย <c oughs> คิดว่าตอนนี้เราเป็นซากแล้วกันเราไม่ได้เปเนหนุนตอนที่เขาพบเราใหม่ๆ ค, คุณสุขทุกขอยู่ที่ใจครับลูกสาววัยรุ่นไม่สนใจเรียนเอาแต่เที่ยวผมกลุ้มมากคนทําอย่างไรครับ ก็ส like okay. ่งไปเรียนโรงเรียนกินนอนได้เมอหร่หาโรงเรียนกินนอนให้เขาไปเรียนอยู่เดให้เข้าไปศึกวินัยโรงเรียนกินนอนนี่เขาจะบังคับเช่นโรงเรียนผู้รู้ยอดสอนี่เขาจะให้เด็กอยู่แล้วไม่ให้ออกไปข้างนอกโรงเรียนสองเดือนแรกที่ไปอยู่ครั้งแรกนี่จะไม่ให้พ่อแม่มาเยี่ยมด้วยไม่ให้ไม่เห็นหน้ากันเลยแล้วก็ไม่ให้มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีกิจวัตรทำตั้งแต่ตื่นจนหลับ เงินวราก็ไหวพักสวนบนอาบน้ำอนนาอ น, นาะอนนาะไรเน้ยัะมากหนักไปทำธุากิจแล้วก็รับประทานอาหคือมันมีมีตารางให้ทำอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปคบกับคนที่ที่ยวเตะได้เพราะทุกคนอยู่ในหอมเหมือกก น, มนกันหมดต้องทํากิจวัตรเหมือนกันหมดกิจกรรมเหมือนกันถ้าอยากจะก้าปัญหาต้องนี่ทํา น, นี่ไปหาโรงเรียนกินนอนไปให้เข้าไปอยู่เถิ ถ้าปล่อยไว้ก็ถ้าเขาไม่เชื่อเราเราไปห้ามเขาก็ไม่ได้เราทําได้อย่างมากก็คืออย่าให้เงินเขาใช้แล้วนี่ <c oughs> ไม่ให้เขาก็ะสวยนะกระสุนเดี๋ยวเขาจะอดก็เขาจะลําบากขึ้นไป <c oughs> ถ้าเราไม่เด็ดเดียวเราไปเราไปแก้เขาไม่ได้แล้วเราใช้อ่อนถ้าเราใจอ่อนอย่างนี้เขานอกห้ายหน่อยแล้วก็ทนไม่ไหวแล้ว อ, อยากจะได้เลยเอาไปอยากจะไม่เที่ยวเอาไป ในความใจอ่อนของเราตั้งแต่ต้นมาพที้เขาบาบปล่อยป่าแล้วเลยไม่มีไม่สอนให้สอนให้เขามีวินัยมีสอนให้เขารู้จักมีกฎมีระเบียบไม่รู้จักห้ามปากเขาในเวลาที่เขาทาในสิ่งนี้ไม่ถูกไม่ควรปล่อยป่าแล้วเลยมาตลอดเพราะสงสารเขาอยากไม่อยากให้เขาเสียใจไม่อยากให้เขาโกรธเรามันก็เลยได้ผลอย่างนี้ตามมา คุณเคสครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นการกระทําที่บางครั้งเจอบาปในบุญจริงหรือไม่ครับก็จริงอ่ะเพราะสัตว์เลี้ยงเราเลี้ยมันมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเราให้อาหารมันให้ที่อยู่อาศัยมันแต่เป็นบาปที่เราไปกักขังมันไว้ไม่ปล่อยให้มันเป็นอิสระภาพเราจะเลี้ยงต้องเลี้ยงแบบปล่อยให้มันเป็นอิสระภาพมันอยากจะไปไหนก็ปล่อยมันไปมันจะไม่กลับมาก็ไม่ต้องกลับมาถ้ามันยาจะกลับมาก็ปล่อยมันกลับมา คุณนกครับลูกชายอายุห้าขวบชอบฟังธรรมของพระอาจารย์มากค่ะแต่เขาจะมีอารมณ์โกรธ ถ, ถ้ามีเสียงดังหรือไม่เหตุมารบกวนการฟังควรจะสอนเขาอย่างไรดีคะก็ควรสอนไม่อยากโกรธเลยเวลาลูกเขโกรธก็บอกว่าถ้าโกรธให้พุโทโธพุโทโธพุทโธไว้นะงับความโกรธหรือให้สอนเขว่าเราไรปควบคุมบังคับเสียงของคนอื่นก็ไม่ได้ ท้ามีเสียงอะไรก็คิดว่าเป็นเหมือนฝนเสียงฟ้าน้องก็แลาวกันแล้วเราก็จะไม่โวรชื่อว่าเป็นขอเสียงธรรมชาติเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเหมือนเหมือนเสียงฟ้าร้องเสียงป้านพายทั้งนั้นคุณสมพรครับในวันลอยกระทงในวันที่แปดนี้โยมควรปฏิบัติตัวปฏิบัติธรรมอย่างไรในวันลอยกระทงครับก็เหมือนกับปฏิบัติทุกวันก็ มันไม่เกี่ยววันลอยกระทงนี้ไม่มีในพวกพุทธศาสนาก็พอดีมันเป็นวันพระด้วยเนราะเกะต้องกับวันพระแล้วก็ถือถือศีลภาวนาทําทางรักษาศีลภาวนาไปนี่คือการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นวันในวันไหนก็เหมือนกันก็เป็นธรรมที่เราต้องปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ คุณครูบอยท่านที่บรรลุแล้วจละรลึกชาติได้โดยอัตโนมัติไหมครับและทําไมคนเราจําอดีตชาติไม่ได้ถ้าจําได้อาจช่วยให้เข็ดการเกิดได้ครับอันนี้มันโอเคความรู้จารึกชาติได้ถือว่าเป็นอภิญยาอย่างนึเป็นความสามารถพิเศษซึ่งไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมนี่บรรลุการบรรลุธรรม น, นี้ไม่ได้ทําให้เราจาลึกชาติได้ไม่ใย่ีหรอครับ การราบรู้ชาติานี่ยมันอยู่ในขั้นระดับของสมาธิในอุปจารสมาธิแล้ไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการรลุธรรมงั้นคนที่บรุธรรมนี่อาจจะรละลับรู้ชาติไม่ได้ก็มีไม่มีอคญญาก็มีท่าหนหึงมีญาณพาลัยไม่สี่ประเภทด้วยกันนั้นรู้สึกที่บรรลุธรรมก็ไม่มญญีไม่มีความสามารถอะไรพิเศษประเภทหนี่ง ประที่สองบรรลุธรรมแล้วเราเลิกชาติได้ประเภทที่สาบรรลุธรรมแล้วมีปัญญาอ่านาแลาจิตติดต่อกับเทพเทวอะไรได้ประเภทที่สี่บรรลุธรรมแล้วมีมีปัญญาที่ซับซ้อนกว่ า, ยยว า, วามมอื่นได้อย่างอย่างกว้างขวางอย่างนี้ก็เป็นการว่าเป็นความสามารถพิเศษของแต่ละพระที่ปฏิบัติซึ่งอาจจะมีเพราะเกิดจากบา ร, รมีเก่าที่เคยสะสมมา บางน้อยต่างกันคุณเจษฎากรครับผมเคยไปปล่อยปลาในเขตวัดยานด้านในปล่อยเสร็จเห็นตัวเงินตัวทองว่ายน้ําลอยมาถ้ามันกินปลาเป็นอาหารคนปล่อยจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปเราไปปล่อยให้ก็มีคาวหน้าเราก็จะไปปล่อยที่นั่นก็แล้วกันเพียงแต่ว่าเราําจไม่รอบก็เมื่ออาจจะไเป็นเรื่องของธรรมดาที่ไหนมีปลาที่นั่นก็ต้องมีสัตว์ที่กินปลามาคอยกัน หรือไม่ฉะนั้นบางทก็มีคนมามามามามาอะมาจับไปกินก็มีนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กคุณแพทครับถ้าไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรแต่ได้อนุโมทนาบุญกับผู้อื่นและทำบุญโดยการโอนเงินกับทางอื่นๆเช่นสร้างพระทอดกระถิน่นถ่ายชีวิตโคกระบือจะได้ไหมคะได้มันทางเหมือนกัน สรายก็เป็นการไถ่แบบหนึ่งการบริจาคเงินสร้างวัดสร้างถ้วยกระถินก็เป็นการเป็นการทําทานอย่างหนึ่งเหมือนกันได้ผลเหมือนกันคือบนความสุนใจอีกใจคุณน้องหลินครับพระอาจารย์ค้าการสุบุรี่ในปัจจุบันมีสารเคมีนิโคตินทาให้การทํางานของปอดลดลงและใช้ยาพ่น มีคนสุบรีในหมู่บ้านพอกลินเข้าไปในบ้านที่มีเด็กเด็กก็ป่วยบ่อยเป็นไปได้ไหมเจ้าคะผู้ปฏิบัติไม่ควรเอาสารเคมีไปทำลายร่างกายตัวเองและส่งผลให้เด็กๆได้กลิ่นแล้วป่วยครับก็ถ้ามันไปทำให้ป่วเก็เสียหายเดือดร้อนก็เป็นการเบียดเบียนผู้เป็นการขาดความเมตตา คุณกันประพรครับแม่อายุหนึ่งร้อยสองปีมีลูกหลายคนแต่ดูแลอยู่คนเดียวดูแลแม่เป็นอย่างดีลูกขอถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าการมีลูกมากๆแต่ดูเหมือนน้อยนั้นในความหมายของพระอาจารย์เป็นอย่างไรขอความเมตตาเจ้าค่ะก็มีคาโบราณที่พูดว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกเลี้ยงลูกสิบคนเนี้งพ่อแม่สองคนไม่ได้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของกิเลสกิเลสมักจะ คิดถึงประโยชน์ของตนเองพอมันโตมันก็จะคิดไปหามีครอบครัวมันก็มีภาร ะ, ะที่ต้องเน้นงดูครอบครัวของตนเองเลี้ภรรยาเลี้ยงสามีเลียงลูกเวลาที่จะมาเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็เลยไม่มีมันก็เป็นกองกำลังงเกวียนะพ่อแม่เราก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเราเนี่ยตอนที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็ากมันมีครอบครวัวไปเขาก็ทิ้งพ่อแม่ให้อยู่ไม่ไม่ไม่ดูแลไม่ดูแล นอกจากคนที่มีความกระตันอยู่เป็นนิสยัยนะคับเขาก็จะคอยคอยเฝ้าดูแลถึงแม้เขาจะไปมีครอบครัวแล้วกระตันแต่เขาก็ยังจะคอยมาดูแลคอยสอดสองคอยติดตามดูสภาพของพ่อแมอ่ตลอดเวลาเมื่อมีถึงเวลาจําเป็นที่จะต้องดูแลท่านเขาก็จะมาดูแลกันอันนี้สำหรับคนที่มีความกระตันอยู่กับเวทีแนตะ่คนที่ไม่มีความกระตันอยู่ก็เขาก็ทำํำเขามไม่สนใจเขาลืมไปเลย เขาอกก็มีพล ร, ราของเขาแล้วก็เลยถ่ายพล ร, ราให้คนอื่นไปแทนคุณจงกลณีครับการอุทิศบุญสามารถอุทิศได้ตั้งแต่ทําครั้งแรกถึงปัจจุบันไหมคะเช่นเราบริจาคเลือดมา53ครั้งเราก็ขออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดเลยได้ไหมคะหากเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีเราสามารถอุทิศบุญจากการบริจาคหรือจะ53ครั้งนี้ให้กับคนที่ร่วมรับไปแล้วอีกได้ไหมคะอันนี้เรก็ไม่รู้นะ เมื่อกี้เห็นนว่าเครื่องทําอุทิศกันคนเดียวก็พอครั้งหนึ่งถ้าอยากจะอุทิศใหม่ก็ทําใหม่ทรังที่เข้าใจมานะไม่ยากของเก่าอาอุทิศกันอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดนะทำไม่ตก็อุทิศไปเลยครับผมพระอาจารขอโอกาสอีกสักสองข้อนะครับสภาวะปัญนาสมาธิกับจตุทชาญเหมือนหรือต่างกันยังไงครับ อันเดียวกันชาจารสี่กับอัปปนาสมาธิการเดียวกันคุณต้องครับขออการเปลี่ยนถามพระอาจารย์ขอรับพระป่าต้องเรียนหรือสอบทำตามทั่วไปหรือไม่ครับถ้าตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์นี่เขาก็จะบังคับให้อย่างน้อยต้องจบน่าทำตีเทเองเป็นอย่างระยำต่ำเถ้าที่เข้าใจในตามวัดวาลามที่มีการการเรียน แต่ตามาามัดป่าในท่านในบังคับท่านให้เรียนจากครูบาอาจารย์อาจารย์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นําออกไปปฏิบัติสำหรับพระพปะ่าในบางท่านก็จะไม่ได้เรียนเลยไม่มีนักทมตีตัวเองเพราะว่าท่านอาศัยธรรมะที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแล้วไปปฏิบัติเท่านั้นก็พอข้อสุดท้ายครับอาจารย์คุณขวัญวันนาครับ นั่งภาวนาจิตจะคิดโน่นนี่นั่นแต่เหมือนมีจิตอีกชั้นดูความคิดนั้นสักพัก ค, ความคิดนั้นก็หายไปก็ภาวนานิ่งต่อไปก็จะเงียบๆเข้าไปลึกมากภาวนาพุทโธก็จะเบาๆลงไปเรื่อยๆจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปหรือนั่งดูจิตไปเรื่อยคะก็พยายามทําทให้จิตสงบไปมากๆให้เข้าไปใขล้ที่สุดเท่าไหให้เข้าไปสู่ขั้นอัปนาสมาธิให้ได้ อาจารย์ครับวันนี้มีคนฟังธรรมอยู่ใน Facebook 520คนนะครับใน y o ย t u b e 619คนในคลับเ o าส e 17คนมีเพื่อนๆฟังธรรมด้วยกัน 1,166 คนครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทานที่มีความสนใจมีวิจิตฝ่ายธรรมและการมีจิตฝ่ายธรรมนี้จะนำไปสู่การได้สัมผัสกับรถแ่งธรรมที่ชนะรถทัิงวป การแสดงธรรมตลอดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแกเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจรารนณานไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาที่จะต้องรอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้ไปไว่างเพลงทันท ถ้าไม่มีอะไรเหตุขัดข้อก็คงจะได้พบกนันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมครับขอจเจริญพร้อมครับกลับไปกับคุณพระอาจารย์ครับ